بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إ, أ ان إن ل يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คืนนี้พวกเราต้องมีสมาธิเป็นพิเศษหน่อยนะครับที่เราจะอธิบาย จะมีเนื้อหาค่อนข้างลึกซึ้งและมีปรัชญาหน่อยแต่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาที่จะต้องอธิบายละเอียดตั้สีรนเวลาเป็นวิชาการวิชาการล้วนๆเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่ เ, เข้มขน้น แซบ่บแสำหรับคนที่ไม่ชอบกินของมันของเข้มข้นก็จะมันหนักหน่อยคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดของแซบก็ไม่ค่อยอร่อยนี่คือวิชาการทั่วไปเนเวลาพูดพูดสนุกมันก็จะน่าฟังคนทั่วไปก็จะเป็นแบบนั้น แต่เวลาเป็นเรื่องมุชาการมุชาการล้วนๆอนะ่ะมันก็จะดูน่าเบื่อนิดหนึง่งอันนี้ก็เตือนพวกเรานิดนึงนะครับว่าคติกาเหมือนเดิมนะครัก็้ามหาวน ะ, ะถ้าใครหาวนี้ก็แสดงว่ามาล ะ, ะน้องอิบลิสมาละก็ไปอาบน้ำหลับนนได้เลยนะแต่ใครรู้สึก ปวดเมื่อยก็กติกาเหมือนเดิมนะครับห้ามนวดนะห้ามนวดก็ออกข้าง น, นอกไปยืดเส้นได้นะครับถ้ารู้สึก ง, งงงงหน่อยนะไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์ยกมือ ไ, มได้เลยบอกว่าไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเรา จ, จะพยายามอธิบายให้เข้าใจอายุสามสิบสามนะครับล่าสุดนี้ประท้วนนิดนึง อัหน้านี้นี่อายะ31ที่อัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ تعالى ได้พูดถึงพระเดชานุภาพของพระองค์ที่สามารถให้ปัจจัยังชีพหรือริสกีระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ที่ให้เราได้ยินผู้ที่ให้เราได้เห็นผู้ที่ให้ชีวิตออกจากความตายความตายออกจากชีวิตผู้ที่บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ชาวอาหรับเรื่องนี้เขาไม่ขัดข้องเขาเขายอมรับยอมรับว่ามีพระเจ้าที่ทำเรื่องนี้จริงมันก็คล้ายๆศาสนาหลศาสนาอนาย่างศาสนาพุทธบ้านเราเขาไม่ขัดข้องนะที่จะมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างด้วยไม่ขัดข้องแต่ศาสนาพุทธนี่เขามองว่าอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักที่มนุษย์ต้องแสวงหาคือปลดทุกข์ พอตั้งเป็นเป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยเรื่องอื่นมันก็กลายเป็นเรื่องรองไม่ไม่มีสาระฉะนั้นจะไปบอกเขาว่าผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างเขาาไม่ขัดข้องในเรื่องนี้ฉนั้นเวลาเวลาเราจะพูดคุยกับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องเน้นว่าโลกมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างเพราะอันนี้เขาเขาไม่ขัดข้องหรือเขาไม่ไม่มีปัญหาที่ศรัทธาได้แต่ พูดกับพี่น้องชาวพุทธเรื่องลำดับลำดับความสําคัญอดความทุกข์กับการรู้ว่ามีพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างอันไหนสําคัญกว่ากันเรื่องลำดับเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสาคัญสําหรับพี่น้องชาวพุทธถ้าแกะประเด็นนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เขา เจาไปสู่เรื่องที่สําคัญองค์นี้ต้องมีพระเจ้าดีคือถ้าถ้ามีพระเจ้าแล้วเนี่ยทุกอย่างนี่มันแก้ไขได้รวมถึงเรื่องปุทุกชาวอารบนี่นเขาไม่มีปัญหาเพราะเรื่องนี้เขาเชื่ออยู่แล้วปัญหาของเขานี่ก็คือแล้วทําไมต้องมีพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าที่บริหารที่สร้างนี่องค์แต่ทําไมต้องมีองค์เดียวโซโลยูนสุสก็เลยมาเถียงเรื่องนี้ ถามเขสีสมีพระเจ้าที่บริหารพระเจ้าที่ให้เราได้ยินให้เราได้เห็นให้เราได้มีรสกีปัจเจี ย, ยงชีพซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดไงในมันเป็นเรื่องแล้วียกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเป็นกตายอะถ้าเขายอมรับแล้วฟัสยากรูนัลลอฮ์ยอมที่ทํำสุกสิรินั่นก็คืออัลลอฮ์ฟะซุลอะเฟลัตตะกูลไม่กลัวหรือที่จะเอาภาคีอื่นที่ไม่ได้มีบทบาทสร้าง ให้ปัจจจ ย, ยังชีพให้ได้ยินให้เห็นไม่ได้เป็นภากีที่บริหารโลกจักรวาล น, นี้สรรพสิ่งทั้งหลายนี่ม่ดิอยู่ภายใต้อนัตของภากีเหล่านี้ไม่กลัวหรือที่จะเอาภากีเหล่านี้มามีอิทธิพลในชีวิตทั้งทั้งดีพระเจ้าที่มีบุญคุณขนาดนี้เนี่ยนะกลายเป็นพระเจ้าที่ไม่มีอิทธิพลอะไรในชีวิตไม่กลัวหรือไม่ไ ม, ไม่มันไม่แมกเส้น่ะมันไม่ยุติธรรม เขาบอกแล้วว่ายอมรับการยอมรับนี่ฟังให้ดีนะนี่คือต ก, กะของของโซ์ยูนุสในการให้เขาลำดับพระเจ้าที่สำคัญมาอยู่ในดวงใจของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งและวพระเจ้าที่ให้เป็นให้ตายให้เกิด พระเจ้าท hm ี่ให้ปัจจัยนชีพคือให้กินให้เราได้มีอันจะกินให้เราได้มีหูมีตาได้เห็นได้ยินซึ่งเป็นอวัยวะสัมผัสที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้รยอมรับแล้วฟ้าเล ل กมุลล่าห์รับุมุลฮักอูนี่คือพระเจ้าคือพระเจ้าที่แท้จริง อัลฮัมโลกนี้ก็มีความจริงกับความเท็จถ้าพระเจ้านี้คือความจริงแสดงว่าพระเจ้าอื่นคือความเท็จ <c oughs> และนี่คือตรรกะที่ที่ที่มาไปแล้วว่ามันใช้ได้สําหรับทุกทุกเรื่องอย่างเรื่องเรื่องลเล่นเรื่องบันเทิงเรื่องเรื่องอะไรที่แบบว่าจะเรียกว่าถ้ามันเป็นความจริงอย่างอื่นก็ต้องความเท็จ ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นความเท็จหรือความจริงก็ถามตัวเองไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นความจริงได้ไหมวันเกียรมมาเนี่ยพอเราจะตัดสินแล้วจะมีตาช่างความดีกับความเลวความจริงกับความเท็จความดีมีกุรานมีวาจนะของนบีมีศีลธรรมมีอะไรทุกอย่างที่งดงามเวลาถามว่าแล้วก็ดนตรีละ่ะ มารุกล่ะเกมล่ะการพนันนะ่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ล่ะมันจะมาอยู่ตาไหนอยู่อยู่ข้างไหนอ่ะเราถามข้งนึงบุรีจะมาอยู่ข้างไหนบุรีจะบุรีจะมาอยู่กับกุฎอ่านไหมบุรีจะไม่อยู่กับอาหารที่มันบริสุทธิ์บุรีจะมาอยู่กับสมุนไพรัหม แต่กอนนั้นมีคนทะลึ่งนะบอก็สูบุรี่ทำไมมันสมุนไพรอย่าไปเรียกวันบุรี่มันเป็นสมุนไพรเคยได้ยินไหมผู้ใหญ่ที่ชอบทะลึง่งผู้ใหญ่ที่สูบุหรี่ชอบทะลึ่งนะนะไม่ใไม่อย่าไปเรียกวันบุหรี่สิมันสมุนไพรมันเป็นพืชไงถ้ามันเป็นมันเป็นตะ ก, การที่สามารถจําแนกได้ระหว่างความดีกับความเลวความจริงกับความเท็จนี่นะแต่ทําไมาหนอคนที่เอาความเท็จเนี่ย มายึดเป็นความจริงของตัวเองนั่นแสดงว่าเขาถูกให้หันเหนออกไปจากความจริงประยิกต์กับความเท็จด้วยอารมณ์ของตัวเองซึ่งเรื่องนี้ที่จะทำให้อัลลอฮสุภาโนวิตะนะลงย้อนมาถามเรื่องเรื่องความจริงและศธรรมอีกรอบหนึ่ง เกิเนื่องจากว่าเขาเขาตามอารมณ์ที่ให้เขาหันออกจากความจริงแล้วก็มายึดกับความทิศด้วยอารมณ์ของตัวเองนั่นแหะพวกเนี้ฟัสกุพวกนี้เน่ยที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เพราะฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่เลือกข้างแลวอัลลอฮ์บอกว่าเลือกความความมีความจริงกับความเท็ศเลือกความจริงดิเขากลับดันไปเลือกความเท็จแล้วก็อาจถ้าพวกเจ้าฟัสกุถ้าฝ่าฝืนไม่ยอมเลือกเข้าข้างความจริง สัจธรรมแล้วนี่นะอย่างนี้ก็อัลลอฮ์จะไม่ให้ศรัทธาแสดงว่าคําตัดสินของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะสมจริงอะสมความจริงที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เลือกข้างความทิศแล้วก็ไม่เลือกสัจธรรมที่อยู่ฝั่งของอัลลอฮ์สุพรรณโอ้ตายเอาแล้วมนุษย์แต่ละคนต้องทําอะไร ก็จะต้องตามอัลลอ์ใช่ไหมอันนี้นี่คือปลายทางที่อัลลอ์ต้องการจากมนุษย์เนี่ยไม่ชี้ตามอัลลอ์ทันทีนะไม่ให้เปิดใจเปิดใจนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าให้ยอมรับว่าหัวใจของเรานี่นะเป็นกลางเป็นกลางแม่ต้อม่กระทั่ง แม้กระทั่งกับภาคีที่ที่ที่ไม่เป็นจริงเจวิตบรรดาเจวิตที่ไม่เป็นจริงใช่เปิดใจดิเฉคเช่นดิเปิดใจให้เจวิตให้ภาคีให้สิ่งที่ถูกอุปโลกว่าเป็นพระเจ้าเปิดใจให้มันแล้วอะนะก็เปิดใจให้อัลละฮ์บ้างดิวินวินแล้วอัลลอฮ์ะจะจัดการให้สัจธรรมเนี่ยเข้าไปสู่หัวใจอย่างแน่นอนถ้า ถ้ามนุษย์ทุกคนเนียแฟกับตัวเองนะหมถึงว่าเปิดหัวใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยศึกษาเรียนรู้ให้เท่าเทียมกันเปิดใจให้ให้รับรู้ยังไม่ได้ศรัทธานะให้รับรู้เชคเชนที่รับรู้เรื่องนี้รับรู้เรื่องนี้และสจะทําที่มีกับอัลลอฮ์ سبحانه แลมันสามารถเข้าไปครอบครองหัวใจ และเคลียพื้นที่ให้ให้สัจธรรมนี่ปรากฏกับมนุษย์เจ้าของหัวใจนั้นน่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเพียงสแสวงหาสแสวงหาความจริงและสัจธรรมไม่ฟาฝืน <c oughs> ผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วนะก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากน่าศึกษามากซัลมาอัลฟาริสี สันมาฤษีเป็นเป็ น, ปนชาวบูชาไฟศา ส, สนาของของเปอร์เซียนี่บูชาไฟและบังเอิญพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้นำศาสนาที่ดูแลโบทที่จุดไฟไม่ให้ดับ ทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วพ่อเขาให้ลูกเขาเนี่ยลมานเรซีเนี่ยให้เป็นคนดูแลจุดไฟตลอดไฟนี่จะต้องไม่ดับเป็นพระเจ้าไงต้องไม่ดับเซลมานก็อยู่ในโบสตลอดบูชาไฟตลอดไม่มีโอกาสที่จะรับรู้อะไรในโลกนี้ รู้ศาสนาเดียวรู้ความเชื่อเดียววันหนึ่งพ่อเขาต้องเดินทางไปที่อื่นก็เลยต้องมีธุระที่สันมานจะต้องออกไปทำธุระนอกบ้านนอกโบทถพ่อออกไปนอกโบทนิดหนึ่งแวะเจอโบสถ์ของคริสเนี่ยจะก็เป็นของใหม่ของน่าสนใจเขาก็เลยแวะไปดู อะไรเฮ้ยเขาอ่านอะไรแปลกๆอ่านไม่เหมือนที่เราทำกันแล้วเข้าไปเข้าไปดูสุดท้ายนี่นะชอบก็เลยเข้าไปถามบาทหลวงเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี้ยที่พวกคุณกำลังพูดเนี่ยกำลังท่านจะอยากจะเรียนอยากจะต้องทำยังไงคือเรื่องมันยาวกว่านี้นะว่า เขาพอเขารู้แล้วเนี่ยก็เลยจับขังฉันมันก็เลยหนีแล้วก็ไปถามบาดหลวงนี่ว่าฉันจะทํายังไงจะได้ศึกษาอย่างละเอียดถีท่วนก็บก็แนะนําไปไปต่างแดนหรือออกไปจากเปอร์เซียเลยเขาก็ไปแถวบางรงายงา น, นบอกว่าไปไปแถวตุรกีนู่นเขาบอกว่านู่นน่ยมีบาดหลวงคนที่ยังยึดมั่นในศาสนาดั้งเดิมก็ไป ไปอยู่กับบาดหลวงหลายคนคนนู้นตายก็ฝากไปอีกคนหนึ่งคนนู้นตายก็ฝากไปอีกคนนึงจนสุดท้ายเนี่ยเดินทางไปเนี่ยก็ถูกโจรปล้นถูกโจรปล้นปล้นเนี่ยก็เอาไปขายในตลาดทาสก็มีชาวยิวคนหนึ่งอะซื้อมาปรากฏว่าเป็นยิวที่อยู่รอบๆมาดินะอยู่เมืองชื่อตไตยมาสใกล้มาดีนะก็ะเอาซัลมานฟาริซีเนี่ยมาเป็นทาสทางาน ดูแลสวนอิมพลัมจนสุดท้ายนี่ท่านท่านสัลมานเฟรซีก็ได้พบท่านนบีแล้วก็รับอิสลามันนี้เรื่องยาวนะจุดที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นสัลมานฟารซีตั้งแต่นั่ถือศาสนาบูชาไฟจนถึงมาดีน่าแล้วก็มามาศรัทธาต่อท่านนบีสุลต่านเลวเซลมันเนี่ยอุลามานี่บอกว่าใช้เวลา น่าจะไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า200กว่าปีเพราะอายุไขของซลมาอัฟาริซีมีความขัดแย้งนี่เป็นคำพูดของอิมามอัลจาฮบีในหนังสือเซียรอาราอิมนดูปล้เขาบอกว่าแทบไม่มีความขัดแย้งแทบไม่มีความขัดแย้งว่าซลมาเฟิัมอัลฟาิซีนี่อายุร้อยห้ปีซึ่ง150ปีเนี่ยสมหรับคนยุคปัจจุบันเนี่ยพอที่จะเชื่อได้เพราะ ร้อยสิบปัจจุบันนี้เราเรามีแล้ว ม, มีมีปรากฏการที่บันทึกแล้วร้ 120, อยยี่สิบคนรุ่นก่อนนีร้อยห้าสิบมันก็ไม่น่าจะห่างไกลจากความเป็นไปนได้แต่อิหม่ามเซฮามีก็บอกว่าแต่มีทัศนาที่บอกว่าอายุของสัลมา น, นี่สามรอยปีถ้าเราไปเทียบกับอายุของคนรุ่นก่อนนั้นสมัยบรรดานะบดุฮะราสูลที่มีอายุเก้าร้ยปีสามรอยปีเนี่ยก็คงจะไม่แปลกอ่ะเราปัด ภาษาการเมืองอะนะปัดเศษไม่เอาแต่นี่มันไม่ยุ่เศษนะสามรอยปีนี่ไม่เอานะเอาร้อยหสิบเอาที่แบบว่ามีความเป็นไปได้นะร้อยห้าสิบปีเนี่ยเซลมานี่ออกจากหนีจากบ้านพ่อนี่นะตอนนี้ยังวัยรุ่นอยู่เซนี่อายุสักยี่สิบสามสิบนะพอคนนี่อายุร้อยห้าสิบนี่วัยรุ่นนี่ก็คือสามสิบเองไอ้อย่างเราเราเนี่ยอายุไขคนส่วนมากนี่เจ็สิบเนี่ย วัยรุ่นนี่ก็ต้องสิบห้าสิบหใช่ไหมแต่คนอายุร้อยห้าสิบนี่วัยรุ่นยังหนุ่มนี่นะก็สักยี่สิบสามสบยี่สิบสามสิบเนี่ยกว่าจะเจอเจอท่านนบีและท่านนบีได้ศรัทธาอยู่กับท่านนบีเนี่ยอยู่กับท่านนบีสิปีว่อยู่เจ้ที่มัดีนะอยู่กับนบีสิบปีนนบีเสียชีวิตและซัลมาลฟาริซีนี่ยก็อยู่ยุคขลิฟะทั้งสี่ขลิฟะเนี่ยแล้วเสียชีวิต ในลาขีลาวาของอัลีนบีตอล็บอีกสาปีแสดงว่าตอนนบีเสียชีวิตซัลมานเฟรซีอายุร้อยปีพอบวก30ปีนี่เป็นร50ใช่ไหมตอนที่อยู่กับนบีเนี่ยรับอิสลามจากนบีนี่อายุร้อยสิปีอยู่กับนบีเนี่ยสิปีเนี่ยร้อปีอยู่กเสียชีวิตในยุคของคีลาวาทนาลนี่ยปีรปีครบถ้วน เจอนบีเนี่ยหนึ110่งยสิบปีและตอนที่ออกจากบ้านนี่เซะนะสักส0ปีนะส0สบกับร1 0สิปีเนี่ยแสดงว่าใช้เวลากี่ปี8ปสปี80สปีนี่ทำอะไรค้นหาความจริงเปิดใจเปิดใจความจริงอยู่ไหนเจอศาสนาคริสต์นี่มันก็ยังไม่ได้สัจษาร้อยเปร์เซ็นต์แต่มั น, ม, ม, น ม, มันมีแสงสว่าง ไปไปควา้าบาดหลวงบอกว่านี่เรานี่ยนะยึดในความจริงของศาสนาคริสต์เนี่ยเพราะมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่จะทำร้อยปอร์เซ็นตเนี่ยจะมีน บ, บียุคสุดท้ายเนี่ยที่จะมาเผยแพร่พุทชนะของพระเจ้าสุดท้ายของมนุษยชาติแล้วเขาจะตามบาดหลวงที่มีความเชื่อเรื่องนี้ ว่าจะมียุคสุดท้ายแล้ก็พยามศึกษาว่านบีคนสุดท้ายนี่จะมีท่านเซลแมนฟาริสีนิใช้เวลาแปสปีอุลามะเขาได้ตั้งสมมติฐานอัแล้วก็ท่านเลแมนเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบะตอนอายุหกสบนี่จะมีคนแนะนามาเรียนตับซีนนะแล้วก็นั่งเดู๋นั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปลงที่รพนพรวนี่นั่งรถตัซีนั่งแท็กซี่นั่งรถเมนั่ง ก็นั่งไปนั่งมานี่หลงอะอกลับบ้านแล้วไม่เรียนตัซีละโอเรื่องเยอะคนในยุคปัจจุบันเนี่ยสมาธิสั้นสมาธสันยนาไปซีนี่สมาธิปสปีนะคนหาความจริงเนี่ยนะสหรับสัจธรรมเนี่ย อัลลอฮฺสุฮาห์นะจ๊ะไม่รีบนะถ้าเราอยู่ระหว่างการค้นหาความจริงเนี่ยไม่ยังไม่เอาทูตถ้าเสียชีวิตยังไม่ได้รับอิสลามแต่อยู่ระหว่างเปิดใจฉันเปิดใจฉันฉั น, ฉ, นฉันไม่เชื่อหรอกไม่ไม่เชื่อขาดฉันยังอยากได้สัจธรรมร้อยปอร์เซนแล้วก็เปิดใจกําลังค้นหาตายขณะนั้นนะอัลลอฮฺไม่เอาทูตนะคนเกียร์มานี่ วันเกียรมานี่ถือว่าอยู่คนระหว่างค้นหาความยิงและสัจธรรมอาจจะมีทดสอบเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งในวันเกียรมาขึ้นอยู่ที่ว่าตอนที่เขาตายเนี่ยเขา เ, ข า, เ, ข า, เขามีความเชื่อในพระเจ้ามากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์สำคัญนะอย่าอยู่ในหมู่ทีฟะะ่ฟัสกูฝืนฝืนอะไรฝืนธรรมชาติ ธรรมชาติเดี๋ยเราเกิดมานะไม่มีไม่ด้ปักใจไม่ดีปักใจความเชื่ออย่างนึงอย่างไึธรรมชาติอัลลอฮอัคราจักุมมิบุตูนิอุมมาฮะทิคุมลาตัลลามูน่าเชียนสุรษะอันน้อัลลอฮได้บังเกิดพวกเจ้าจากมดลูกของมันดาโดยที่พวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแต่สัญชาตญาณ สัญชาตญาณเนี่ยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเอียงไปทางฟิโตนี่เอียงไปทางธรรมชาติอย่างที่อย่างที่นบีบอกและวถ้ามนุษย์ปล่อยตัวเองให้ลำเอียงไปทางธรรมชาติเสมอไปตลอดชีวิตนี่ยนะจะต้องพบพระเจ้าเพราะพระเจ้านี่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์จากสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติเราเนี่ยสัญชาตญาณที่พระเจ้าสร้างเราไว้เนี่ยจะต้องพบกับพระเจ้าอย่างแน่นอนแน่นอนคนเรานี่มันเป็นมันเป็นวลีของวัยรุ่นเดี็กก็ไปดูเรื่องนู้นเด็กก็ทำเรื่องนี้เอ้ยเองทำไมทาไมไม่นิ่งเลยทำไมเด็กก็ไปนู้นเด็กก็ไปนี่ย ผมยังไม่พบตัวเองยังไม่พบเจอตัวเองไอ้นู่ก็ไม่ใช่นี่ไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่มันยังไม่ใช่อ่ะทำไมยังไม่ยังไม่พบเจอตัวเองแต่พบแล้วนะ่ะพบแล้วเนี่ยเขาเองก็บอกบเจอแล้วครับถามว่าไอ้ที่ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยอยากจะพบเจอตัวตนอะอาศัยอะไรอ่ะ อาศัยอะไรอาศัยความรู้ที่ได้มาจากภายนอกถ้าอาศัยความความรู้ระสบการ์จากภายนอกเนี่อันนี้ไม่ใช่ตัวเองแน่นอนความรู้จากภายนอกนี่มันเป็นของของคนอื่นเขาแต่พบเจอตัวเองก็หมายมที่มือต้องอาศัยตัวเองนีนน่แหละเพราะว่าอันนี้พออันนี้เพียงพอแต่พวกเรานี่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยตามสัญชาตญาณของตัวเองนะเจอพระเจ้าแน่นอนอย่าฝืนแค่นะั้นแต่อย่าฝืน เปิดใจให้ใจให้ใจเราเนี่ยมีโอกาสมีสิทธิ์ในการที่จะค้นหาแล้วก็พบศัจธรรมอัลลอฮ์ก็เลยต้องมาย้าอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นประเด ok ah ็นที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดุลลัลลลอฮุซลลอและก็และก็กมุชลิกินที่มักกะเป็นประเด็นที่เขา ยังสงสัยอยู่เขายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ริเริ่มในการบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ยอมรับไปแล้วแต่สิ่งที่เขายังไม่ยอมรับสิ่งที่เขาปฏิเสธและก็เป็นจุดจำแนกที่ท่านนาับีต้องเทศนา ไคแพ้เชิญชวนให้เขาเข้าใจประเด็นนี้พระเจ้าสร้างเราจริงแต่พระเจ้าจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึงในวันเกียรมะฟื้นคืนชีพอีกครั้งในวันเกียรมะอันนี้ไม่เชื่อมันมาจากตะกะเป๊เป๋ตะกะที่ไม่มีความสมดุล ทำไมเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างล่ะเชื่อเพราะมันเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยท่านเนาบิวเรย์มนี่เชื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเขาไม่มีทฤษฎีอื่นที่จะเชื่ออื่นจากนี้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเอาแล้วก็ความเชื่อว่าอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพวันเกียร์มาอีกทีหนึ่งมันก็เป็นความเชื่ อ, อท่านเนาบิวเรย์มแต่มันเป็นความเชื่อที่จางไปจางไปว่าอะไรไปวมัน มันหายไปแล้วก็ไม่ค่อยชัดหละเอ้ยมีด้วยนะมีนี่ศา ส, สนาคริสเนี่ยเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ได้ประสูติไม่ได้คลอดไม่ได้มีบุตรไม่ได้เป็นบิดาคริสทั้งหมดเลยเชื่อแบบนี้จนเกิดลกที่หนึ่ง ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์ท่านนาวีซาพลพลนี่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสาวกแท้นะเขะเป็นแตบีอีนไม่ไม่ได้เจอท่านนาวีซามารุ่นหลังเรียกว่าเด็กวันซื้นเออเป็นไปได้ไงคนที่มี มาสกันแบบนี้สามารถทําให้คนเป็นนี่คนตายนี่เป็นได้ทําให้คนตาบอดนี่มองเห็นได้นี่ตายเฉยๆอย่างนั้นนะ่ะถูกไปอย่างงั้นไปอย่างนั้นเฉยๆยเป็นไปไม่ได้เขาต้องมีอิกทิ่ที่ต้องมีอะไรพิเศษอ่าเจ้าของทฤษฎีว่าคนที่ทําเรื่องนี้ต้องต้องเป็นพระเจ้าต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าอา้าว เออมันเป็นพระเจ้าแล้วก็ทำไมถูกตึงมันไม่กันเขนล่ะเพราะเขาเชื่อถูกตึงมันไม่กังเขนเออถูกตึงมันไม่กันเข น, น, น, เขนอ้าวก็พระเจ้ายอมที่จะเจ็บไงยอมเจ็บเออทํำไมพระเจ้ายอมเจ็บล่ะก็เพราะโลกนี้นี่บาปกันทั้งโลกอ่ะแบกบาปกันตั้งแต่สมัยนบีอาดัมนุน่ะกินจาต้นไม้มันมีบาปอยู่ก้อนหนึ่งติดที่ลําค อ, อนี่ทุกคนเกิดมานี่มีบาปอยู่ที่ติดคออยู่เนี่ยบาปนี่จะได้ปลดได้นะต้องเชื่อว่า พระเจ้ายอมลงมามาอยู่ในร่างของพระเยซูก็คือพระเจ้าพระเจ้าภาษาสุริยนีภาษาอาราพีเรกลาฮ ma, ุดลาฮุดและกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยคือพระเยซูนี่นะภาษาภาษาสุริยนีกับอาราพีเรกนาซุตลาฮุดเนี่ยก็ต้องมาอยู่กับนาซุตก็คือพระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์นะนาซุตนาซูตนี่ภาษาอาราพีก็นาสมนุษย์มนุษย์ กล้้้เียพระเจ้านี่มาอยู่กับมนุษย์มาอยู่ในร่างของมนุษย์จึงเป็นกึ่งพระเจ้ากึ่งมนุษย์ใช่ไหมยอมที่จะเจ็บนะจะได้ล้างบาปของโลกที่ฎีนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากท่านนบีอิสาถูกยกไปแล้วนี่นะสามรอปีเกิดมัน แบบว่าเริ่มงอมแล้วแล้วก็มีแบบว่ามีมีคนเผยแพร่แล้วอยู่กันอย่างนี้เนี่ยโดยคริสตส่วนมากเนี่ยเชื่อว่า ม, มีมีพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็นบีีซาเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญชนแต่ก็ยังขีล้ากันอยู่อ่ะถูกตึงบนเมฆกังเขนถูกยกไปก็ยังอันนี้ก็ยังขีล้ากันอยู่จนสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรโรมันนี่พวกจักรพรรดิของโรมันเนี่ยเริ่ ม, มนับถือศาสนาคริสต์ละ และต้องบริหารอาณาจักรกว้างขวางและมีความเชื่อเยอะลัทธิของคริสต์เนี่ยเยอะมากกษัตริย์นี่เบื่อโอ้ดูความคิดเยอะเหลือเกินมารวมตัวกันมาประชุมสมัมมันบาทหลวงสามมันทุกคนประชุมที่ไหนอี่ยนี่ปัจจุบันอยู่ตุรกีเมืองนิเกียอยู่ที่ตุรกีประชุมกันแล้วทาอะไรอ่ะวาระแรกเลยตกลองอัลลอฮ มาอยู่ในร่างของอีสาและก็เป็นพระเจ้าที่ถูกตึงบนไม้กางเขนยอมเจ็บใจในล้างบาปโลกหรืออัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์อีสา์ก็คืออีสายาเยซูก็คือเยซูเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นความเชื่อของคนส่วนมากตอนนั้นปรากว่ามีแจกกล้วยประชุมนั้นมีแจกกล้วยเสียงส่วนมากเนี่ยพวกอีซาเป็นเป็นมนุษย์ แต่ให้เสียงน้อยเนี่ยได้ชนะและก็คนอื่นเนี่ยยอมโหวตเหลือชื่อนะครับที่โหวตกันเนี่ยก็ชนะนิดนึงนะไม่ไม่เอกฉันนะเขาบอกว่าก็ประชุมกันห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนประชุมเป็นร้อยอะนะก็กที่โหวตรึ่งนึง น, นะไม่ไม่ไม่เยอะนะไม่ไม่ใช่ส่วนมากเลยในเรื่องความเป็นพระเจ้านะชนะทศัศนะที่บอกว่าพาระเยซูเป็นพระเจ้านี่ชนะ กลังเรากำลังจะบอกว่าแล้วมีด้วยหลหรศาสนาอะไรที่มันเป็นความจริงของศาสนามันจะจางไปเรียกว่าสมัยนบีบรูฮิมก็มีความเชื่อ ว, ว่าอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพมีวันเกียรมั้งจะมีการตัดสินแต่ไอเรื่องนี้เนี่ยสำหรับอาหรับเนี่ยส่วนเนี่ยของศาสนาท่นาน บ, บรูฮิมนี่มันจางไปมันหายไปมีด้วยเหรอนี่ไศาสนาคริดเนี่ก็เหมือนกันไงความเชื่อ ว, ว่า พระเยซูนี่เป็นนบีเป็นความเชื่อส่วนมากของชาวคริสต์และมันจางไปแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีและทีคริสตนะ์นาทีเชื่อว่าพระเยซูเป็นมนุษย์เหมือนกันเน่ยทุกวันนี้ก็ยังมีนะแต่ส่วนน้อยมากถูกถูกเรียกว่าเป็นเป็นและทีนอกกรีฑเขาไม่ยอมรับและยังมีไบเบิล ที่พูดถึงเรื่องนี้นะพูดถึงว่านาบีอีสานี่ก็เป็นมนุษย์นะแต่ก็ถูกเรียกว่าเป็นไบเบิล น, นอกกรีกเป็นไบเบิลที่ไม่ถูกยอมรับไบเบิลของบาร์นาบะบาร์นาบะนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะเป็นเอาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสาวกของท่านนาบีอีซาเลยนะแต่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับในะไปยอมรับในไบเบิลที่ถูกเขียนด้วยด้วยคนในรุ่นหลังตะกะวิบัตของอาหรับ ที่ให้เชื่อ ว, ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะสร้างตั้งแต่แรกเลยแต่พระเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างมนุษย์ฟื้นคืนชีพมนุษย์อีกครั้งหนึ่งไม่ไม่ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วตักะอะไรนี่มาปฏิเสธนะ่ะท่อนเนี้ยอากิได้ว่ามีวันเกียรมามีวันปราโลกและพระเจ้าสามารถฟื้นคืนชีพได้ตะกะเอาอะไรมาปฏิเสธละ ตะ ก, กะของสมองนี่ก็คือปัญญามันเป็นไปไม่ได้จะฟื้นคืนชีพได้ไงอะ่ะตายแล้วถูกฝังแล้วสลายไปในดินในเละไม่มีชิ้นดีแล้วแล้ววันปฐโลกเนี่ยจะฟื้นคือจะเรียกสัดส่วนของร่างกายที่มันสลายไปในดินแล้วจะเรียกมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอีกครั้งได้ไงเป็นไปไม่ได้นี่หมายถึงว่าตกกะการในสมองอา้าวแล้วก็ อีทียอตีตอนยอเมื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างริเริ่มสร้างครั้งแรกน่ยอมรับเนี่ยใช้ตะกะอะไรล่ะถ้าเอาทางปัญญานะแบบนี้นะก็ไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกเลยเพราะความเชื่อที่ถูกต้องพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ด้วยนะสร้างโดยไม่มีวัตถุดิบ ไม่มีเชื้อในการที่จะสร้างสร้างจากเปล่ามินาราดมจากนสิ่งไม่มีแต่การฟื้นคืนชีพนะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจากเปล่าอีกครั้งเนี่ยไม่ได้มาจะมาสร้างอีกครั้งนี่อรอบนึงนั้นไม่ใช่อัลละ์จะฟื้นคืนถึงอะไรฟื้นคืนชีพหมายถึงว่าเชื้อเดิมสัดส่วนเดิมที่มันสลายที่มันหายไป ในทุกสรารทิศนี่นะอัลลอ์จะเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการสร้างจากเชื้อเดิมนี่นะมันมีเหตุผลแห่งความเป็นไปได้มากกว่าเหตุผลจากการสร้างโดยไม่มีเชื้อเลยฉะนั้นในคุณอ่านในไหลอายะนี้อัลลอ์อัลลอฮ์ท้าบรรดามุิลิเมบอกว่าเชื่อในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือสร้างจากเปล่าเลยนะเชื่อแล้วแต่ไอ้สิ่งที่มัน เรียกว่าง่ายกว่านี้นะไม่เชื่อซึ่งเป็นตรรกะที่ไม่เมกเซน่ไม่ไม่ยุติดราไม่สมดุลอัลลอฮฺจุบอกว่าวเฮลมินชุรคาอีกุมยิบเดอุลขัลกซุมมายูฮิดุกลิลลาหยิบเดอุลขัลกซุมมายูฮิดุฟอันตุฟคุนตุนก้าวเถอดโอมุฮัมมัดมีใครบ้างในมูพาคีของพวกท่าน อันนี้แปลมาจากคำว่าชุระแกอีกกลุมชูระแกอีกกลุมพาหุพศเอกพ์ของมันเซริกภาคีคนเดียวก็เซริกภาคีหลายภาคีนี่ก็ชูระแกอันนี้แปลทับศัพท์อันนี้นะของนักเรียนกวดวิชาเนี่ยที่เราอ่านอยู่เนี่ยนะฮัลมินชูระกอกกลุมใครบ้างในหมู่พาคีของอาจารย์ดิเรกเนี่ย ใช่คำว่าจวิตเลยในบรรดาจเวิตของพวกเจวิตเลยทําไมอะ่ะก็เพราะอารับตอนนั้นอ่ะภาคีที่เขาบูชานี่ก็มีแต่อะไรเจวิตพวกเทวรูปที่เขาแขวนนี่กับเจวิตการนิบบรหิมกุเตซี่นี่ใช่คำว่าเจวิตเลยแต่นี้เขาบอกว่าในหมู่พาคีการหมายถึงว่นที่พวกเจ้ากําลังบูชาศักการะอยู่เนี่ยของพวกท่านมีภากีไหนบ้างอะ่ะ ที่เป็นผู้เริ่มแรกในการให้บังเกิดเริ่มแรกคือคือเริ่มในการเนรมิดบังเกิดสร้างมาครั้งแรกแล้วให้มันบังเกิดอีกสุ่มไม่อีดูแล้วให้มันบังเกิดอีกมยอยหมายถึงเมื่อให้ฟื้นคืนชีพเพราะถือว่าเป็นการให้เกิดอีกครั้งหนึง่ง แต่บังเกิดครั้งแรกเนี่ยผู้เริ่มแรกเริ่มแรกในการบังเกิดกับคําว่าบังเกิดอีกมีข้อแตกต่างนะถึงแม้ว่าใช้กริยาเดียวแต่กุทอ่านไม่ได้ใช้กริยาเดียวกุทอานใช้สองกริยากริยาแรกนี่ yabdul k h a l เริ่มอัล khalkh เกิดให้เกิด แต่อที่บอกว่ารายละเอียดของภาษาไทยเนี่ยคำว่าเกิดเนี่ยให้เกิดเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับคําว่าข้าลอลกอ่ะในภาษาอังกฤษข้อหลักอ่ะในภาษาอังกฤษนี่คือให้เกิดโดยไม่มีเชื้อแรกในการให้บังเกิดซึ่งกริยาที่น่าจะเหมาะที่สุดแต่ไม่ค่อยมีใครใช้กันเนี่ยคือเนรมิตเนรมิตนี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรนะแล้วก็ปุ๊บให้สร้างขึ้นมาโดยไม่มีอะไรมาก่อนหน้านี้ แต่เกิดนี่มนุษย์เนี่ยแชรด้วยกันกูให้มึงเกิดเนี่ยกูมึงก่อนหน้านี้อยู่ไหนมานี่กูให้มึงเกิดเนใช่มเขาก็ใช้ได้เกิดนี่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้โนเนมนะไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็นายกเบี้ยวให้ขึ้นมาเป็นเป็นซ o m e t h งเป็นซั m e t h ง มาสร้างความวุ่นวายในในหมู่คณะ <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้โนเนมกูให้มึงเกิดขึ้นมาใครคนหนึ่งเสียอะไรนะสอปออ่าเสียเสียปองอ๋อคนนี้ก็มีบุญคุณคนนี้เนี่ยเขาคือฟื้นคืนชีพไงให้เขา แต่ก่อนนู้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาเป็นคนเขามีบุญคุณคนต้องออกมาปกป้องนี่เขาก็ใช้กันมนุษย์กับมนุษย์จะใช้กันแต่กูอ่านนี่ใช้กริยบเดาอุน خلق ะ خلق ะนี่หมายถึงว่าสร้างมาจากไม่มีอะไรเลยในภาษาไทยนี่มันไม่มีกริยาที่จะเอื้อใกล้ตรงๆก็มไม่มีคือเนรมิตนี่ใกล้ใกล้เคียงที่สุดแต่จะได้เข้าใจเนี่ยก็ต้องอธิบายแบบนี้ ยอบรอุลคลก็ผู้เริ่มแรกในการบังเกิดหมายถึงว่าจากไม่มีอะไรนะแล้วให้มันบังเกิดอีกคําว่าบังเกิดอีกเนี่ยสร้างอีกทีหนึ่งใช่ไหมซึ่งมีความเข้าใจเป็นไปได้ว่าจะเข้าใจมายถึงว่าสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็บังเกิดอีกนะบังเกิดอีกครั้งหนึ่งก็อีกครั้งแรกนี้บังเกิด จากอะไรอ่ะจากไม่มีและครั้งที่สองอีกมันเกิดอีกก็อาจจะสร้างอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีอะไรเหมือนกันมันอาจจะเข้าใจได้ซึ่งความเข้าใจนี่มันเกิดขึ้นจริงทําไมอิหมานุลกยมเนี่ยต้องมาชีา้แจงบอกว่าไม่ใช่การฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มาเนี่ยนะตามหลักศรัทธาของอัลกุรอานคือฟื้นคืนชีพจากสัดส่วนเดิมเดิมที่อัลลอ์สร้างไว้ จมีของเรานี่จะสลายไปเป็นอะไรจะเป็นตามฟิสิกเนี่ยมันไม่มีอะไรจะสับสู์ไปในในโลกนี้แล้วถ้ามันหายไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังพลังงานใช่วัตถุทุกอย่างเนี่ยถ้ามัน ส, สับศู์ไปมันก็ต้องกลายพันธุ์เป็นพลังงานเป็นอะไรก็ได้แต่มันจะไม่สับสู์มันจะต้องกลับ กับสู่มัเทเรียลหรือวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นเอาเราจะเรียกมาหมดเลยฟื้นคืนคืนฟื้นคืนนี่คือความเชื่อของการฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มาเนี่ยไม่ได้ว่าสร้างใหม่นะสร้างใหม่นี่ก็เหมือนครั้งแรกเลยนะเหมนีม่ยเหมือนเริ่มเริ่มแรกของบังเกิดเร า, าใช่เอางั้นก็เลยไม่ได้ช้คาว่าเคลื่อนละนะ ซุมม่ยุ่ยดูหูยุ่ยดูหูแปลว่าอะไรแปลว่าเอามาอีกครั้งหนึ่งแต่นี่พอไปใช้คําว่าบังเกิดอีกเกรงว่าจะเข้าใจว่าบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บังเกิดใหม่เหมือนครั้งแรกนะไมเป็นการสร้างมาจากเชื้อเดิมๆวัตถุดิบวัตถุดิบเดิม Allah จ uh uh an. al e e e. e al ึงเรียกว่ายูรีดูฮยูรีดูฮแปลว่าเรียกกลับมาเรียกกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวนเฉลิมเฉลองเราเรียกว่าอีดอีดเล็กอีดใหญ่อ้อุดฟิตรีอุดรอัตฮ์อีดแปลว่าอีดละกลับมาอีดแปลว่ามันกลับมาอีกละมันวีมันจะกลับมาอันนี้ก็เหมือนกันยูีดูฮ รักษาเดียวกันน่ะยุยดูหูจะเรียกลับมาอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าโอ้โมฮัมมัดไปถามเขาแล้วเขาจะตอบเหมือนคําถามแรกคุณม่ยารู้กูกุมใครที่ให้รุสกีใครที่ให้มีมีหูได้ยินไมีตามมองเห็นใครที่ใครที่จะเอาควชีวิตออกจากความได้ความได้ออกจากชีวิตใครที่บริหารสรรพสิ่งนั้นฟาซยาคูลูนลลอเขาจะตอบเสียงเดียวกันเลยเนี่ยอัลลอฮ์ทำทุกสิ่งเลยอัลลอฮ์ยอมรับ แต่อันนี้เนี่ยมันมีส่วนนี้เขาไม่ยอมรับไงกุลโอโมุฮัมมัดถามก็สิพาคีของพวกเจ้านี่บรรดาจเจวิตเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมันสามารถที่จะเริ่มแรกในการบังเกิดหรือให้เกิดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขาจะไม่ตอบละแน่นอนเพราะมีบางส่วนหนึ่งนี่เขายอมรับ ว่าเจวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เริ่มในการสร้างและสว่วนที่สองนี่จะคืนกลับมาหนีนะแน่นอนเจเวิตมันก็ไม่ได้ทําแต่เขาก็ไม่เชื่อว่ า, AH ab, um u u าวอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์ก็เให้ท่านบีตอบอุลิลลาห์ย่บเดอขัลกัธุมมะยูไอดูุกแล้วท่านอูมูฮัมมัดอัลลอฮ์ส่งเริ่มแรกในการให้บังเกิดแล้วทรงให้มันบังเกิดอีกครั้งหนึง่ง ประโยคเนี้ยที่อาจจะทำให้คนอาจจะสงสัยเอาแล้วก็บังเกิดอีกครั้งหนึ่งเหมือนครั้งแรกนะไม่ใช่ไม่เหมือนครั้งแรกนะครั้งแรกเนี่ยกุญซางมาโดยไม่มีวัตถุดิบแต่วันปรโลกเนี่ยจะสั่งให้คืนกลับมาจากวัตถุดิบเดิมฟานนาตูฟากูลดังนั้นทำไมพวกท่านจึงหันเหออกจากความจริงไปสู่ความเทเ็จเรา มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงระหว่างท่านนาบีและบรรดาผู้ที่ทั้งปาทีที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าเนี่ยมายาวนานซึ่งในคุต่านี่มีหลายสุรละหลายอายะที่พูดถึงประเด็นนี้ประเด็นของการฟื้นคืนชีพในวันปรโลกจึงสังเกตว่าในบรรดาสุระคือบทที่เลาประทานลงมาที่มักกะ เมือม ก, กที่นบีเทศนาสิบสามปีนะเนื้อหาหลักๆนี่พูดถึงศอกเรื่องเรื่องพระเจ้าและก็เรื่องปรารุกเรื่องพระเจ้าก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างนั้งนั้น ถ, ถ้าพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์มีสิทธิ์ที่จะถูกสักการะอื่นจากพระเจ้าอื่นจอมปลอมที่ถูกอปรุกขึ้นมาพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยมีสิทธิ์อะไรล่ะที่จะมาปกครองบริหารนะ่ะ เหมือนที่เราหัวในการเมือไม่มีใครเลือกมีเสียงไหมมีสิทธิ์ที่จะโหวตอะไรมะมถ้าไม่มีใครเลือกอ่ะไม่มีใครเลือกพักเสียงส่วนมากนี่มีสิทธิตั้งรัฐบาลเนีมีสิทธิ์บริหารแผ่นดินมะไม่มีสิทธิ์ทําไมเสียงส่วนน้อยไม่มีสิทธิ์พระเจ้าที่สร้างที่เป็นเจ้าของสัมพสิ่ง์ทั้งหลายเนี่ย สมควรแก่การถูกสักการะไหมมากกว่าที่ถูกอ้างที่ถูกอบโรโกรเป็นพระเจ้าและก็มอบการสักการะการเคารพพักดีการทุกสิ่งทุกอย่างความเยื่อเกรงความหวาดกลัวความหวังความอะไรนี่มอบทั้งนั้งนี้มันไม่ทําอะไรเลยมันกินกับปัญญาได้ไง เรื่องที่สองในเรื่องปรโลกเนี่ยเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นกุณอ่านที่ถูกประทานที่มักกะเนี่ยก็จะพูดถึงสองประเด็นนี้แล้วสองประเด็นนี้เนี่ยก็กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญในหลักศรัทธาหลักศรัทธาเนี่ยเรารู้ว่าในอิสลามมีหลักศรัทธาเนี่ยมีหประการศรัทธาต่อล l l a h ต่อปรโลกต่อบรรดาอะไรก็ต่อบรรดานบีและรสน์ทั้งหลาย ต่อบรรดาคำพีทั้งหลายศรัทธาในกฎสภาวะนี่หกเรียกวรุกุลหกเสาหลักของศรัทธาในหกหลักเนี่ยที่สำคัญที่สุดในหกหลักนี่คือสองหลักก็คือศรัทธาในพระเจ้าและวันปารโลกฉะนั้นในบทหาดีสุนท่า น, น บ, บิสอโลลลอเลวซัลลัมหลายบทนี่นะไม่ได้ตั้งเงื่อนไขทั้งหกประการนะ แต่เป euh, yeah, no, ็นที่รู้กันว่า6ประการนี้มันเป็นหลักศรัทธาอยู่แล้วแต่เอาสองอย่างเนี่ยถ้าคนศรัทธาสองอย่างนี้นะแสดงว่าเสีงยงนี้มันต้องมาแน่นอนสองอย่างนี้ก็คือศรัทธาในอัลลอฮฺและมัปรโลกสำนวนหานี่ข้นนบีจึงมาหลายอย่างมันคานาย ؤمنو ب ว ل ล ه وليوم الآخر بود ะที่ศรัทธาในอัลลอฮฺและเปรโลกให้ทําแบบนี้ให้ทำแบบนี้ก็หลายอยก็เป็นอย่างนี้ใครที่ศรัทธาในอัลลอฮฺและเปรโลกก็ต้องทําแบบนี้ใครศรัทธาในอัลลอฮฺและเปรโลกต้องทำแบบนี้ ทําไมไม่รู้ใครศรัทธาเนอันลลอฮฺประโลกนบีมาเลยก็ทั้งหกอย่างนี้มาดนี่ยเอาที่สําคัญที่สุดนี่สองอย่างเจนเป็นเรื่องที่อาม่าได้ตั้งคําถามว่าในเมื่อเชื่อแล้วว่าพระเจ้าสามารถสร้างครั้งแรกนี่เป็นผู้สร้างแต่ครั้งที่สองนี่ฟื้นคืนชีพนี่พวกเจ้านี่ไม่ยอมรับอันนัตุฟากูนทําไมหันเหละ่ะ ทำไมเชื่ออันนี้แล้วไม่เชื่อเนี่ยก็หมายถึงว่าเชื่ออันนี้เนี่ยเชื่อได้แต่ว่าอันนี้นะอ็งไม่เอาไม่เชื่อทำไมไม่เป็นต ก, กะเดียวกันละ่ะอันนี้ตั้งให้ตั้งคาถามให้เขาไปตอบเองอันนี้เนี่ยพอที่จะเห็นภาพของการสนทนาระหว่างกุรานหรือสุรัยูนุสเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นสุรโรที่ ที่อัลลอฮประทานลงมาเพื่อตอบโต้คนที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธพระเจ้าโดยเฉพาะปฏิเสธพจน์พจน์ชนหรือคำเพียร์อุรุตนและจาสนาที่มีอยู่ในคุนเนี่ยสุรยูนุสเนี่ยตั้งบทสนทนาแล้วก็โต้เถียงกับเขาอันนี้นี่พอที่จะเห็นภาพนะว่าเขาไม่ยอมเชื่อในปรโลก เรารู้ที่ไปที่มาแล้วแต่อายะต่อมาเนี่ยอัลลอฮุซุบาะฮิลลัคุรลาจะพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งมากซึ่งเรื่องเนี้ยที่ผมกว่ามันมีปรัญชญาหน่อยพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสร้างมนุษย์ด้วยนะอันนี้อรับนี้เขายอมรับการนิยมระบวทีพระเจ้าสร้าง มนุษย์เนี่ยมันเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้เราเชื่อว่าพระเจ้าที่สร้างเรานี่นะย่อมมีความสามารถในการที่จะให้ทางนำกับเราหมายถึงว่าเหตุผลเนี่ยมันต่อเนื่องกันได้มันประติบประต่อดได้ ซึ่งจะยากกว่านี้หน่อยนะหรืออาจจะยากกว่ามากก็ได้ถ้าไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้าเลยไอ้วนนี้ไม่เชื่อมีพระเจ้าเลยอะ่ะแล้วทางนาจะมาย่งไงอะ่ะอันนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งเราจะคุยถึงทั้งสองกรณีทั้งสองสองเคสนี้นะสองประเด็นเนี้ยประเด็นว่าเชืเ่อว่ามีพระเจ้าแล้วอับดับนี้เขาเชื่อมีพระเจ้าแล้วแล้ว ยังเชื่อว่าพระเจ้านี่เนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะและเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างมนุษย์เนี่ยสร้างเราเองเนี่ยสร้างเราเกิดมาเนรมิตขึ้นมาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปล่าไม่มีอะไรเลยเชื่อแล้วแสดงว่าเราต้องตั้งสมมุติฐานว่าอาหรับก็ยังเชื่อด้วยนะว่าพระเจ้าที่สร้างเขานี่นะ สามารถให้ทางนำกับเขาได้เรื่องนี้มันเป็นความเชื่อลึกๆถึงแม้ว่าไม่ดีเขาไม่ได้เอ่ยมาไม่ได้ลั่นวาจามาแต่ที่เขาลั่นวาจามาี่ที่ท่านนาบีถามว่าใครล่ะที่สร้างชันฟ้าและแผ่นดินใครล่ะที่สร้างมนุษย์เนี่ยใครที่สร้างนู่นนั้นนะฟาซากูลุอัลลอฮ์เขาลั่นวาจาอัลลอห์ยอ ม, ม, มรับไม่ปฏิเสธผู้สร้างนี่คือพระเจ้า เอาและพระเจ้าเนี่ยในเมื่อสร้างพวกเราแล้วแหละแล้วจะแล้วจะไม่มีปัญญาที่จะให้ทางนํากับพวกเราด้วยหรอซึ่งมันเป็นตะกะเดียวกันนะ่ะเทีเราได้ถามเขาครั้งแรกเลยว่าเชื่อไหมว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเป็นผู้ให้รุสกีพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้บริหารทุกสิ่งทุกอย่าง พระเจ้าเนี่เป็นผู้ให้ให้หูได้ยินให้ตาได้มองเห็นพระเจ้านี่ทำให้สิ่งที่มันตายเนีนน่ยเป็นขึ้นมาสิ่งที่มันเป็นขึ้นมาให้ตายลงไปโอ้อานาขนาดนี้เนี่ยเชื่อแล้วแต่ก็ไม่ยอมที่จะมอบการสักการะให้พระเจ้าองค์นี้องค์เดียวไม่แบ่งแบ่งหุ้น แบ่งหุ้นให้ให้พระเจ้าอื่นบ้างพระเจ้าอื่นจึงถูกเรียกว่าพาคีพาคีเนี่ต้องมีต้องมีหุ้นส่วนต้องมีแบ่งกำไรเหมือนสัญญาทถวิพาคีเฮ้ยมาแบ่งกันนะสุดท้ายเนี่ยไปคุยกับไปคุยกับตะวันตกนี่ไม่รู้กี่สัญญาทวิพาคีนะ แต่สุดท้ายเนี่ยพอมีผู้นาํบาบา้บาๆบอๆคิดจะตั้งภาษี <c oughs> นี่แถวๆทำเนียมนี่ยาพา ร, รานี่ขาดนะปวดหัวเลยอ <c oughs> จะคุยกับทํำยังไงอ่ะมันเป็นมันเป็นข้อตกลงทํากันมาแล้วเนี่ยเรื่องภาษีนรื่องคุยกันมาแล้วหลายยุคหลายสมัยคุยกันแล้วทุกอย่างนี่มันมีเอกฉี ฉีกเราเนี่ยมีมีความเชื่อในใจแล้วเนี่ยว่าพระเจ้านี่สร้างเราจริงนะแต่เราฉีกความความเชื่อความเข้าใจนี้พระเจ้าที่สร้างเราก็จริงแต่พระเจ้าองค์นี้จะให้เราสักการะพระองค์เพียงองค์เดียวนี่นะไม่แฟร์ต้องแบ่งมากแบ่งแบ่งให้ จเจวิตสามร0อตัวแขวนอยู่รอบรอบกับบสามร0อตัวนะรอบรอบกับาอันนี้ของน้ำฝนอันนี้ของการแต่งงานอันนี้ของความรักพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าท่านนี้มาถามในเรื่องดูเหมือนแปลกนะกุลเัลมินชรกาอีกุมมายฮดีอีละฮักกีต้องกล่าวเถิดโอ้มูฮัมหมัดมีใครบ้างในมูภาคีคือบรรดาจเจวินี่นะของพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ ชี้แทางสู่สัจธรรมคือให้ทางนำาอย่าดีชี้แม้อิลาสูอัลฮักความจริงฮักสัจธรรมมีตัวไหนบ้างอะที่มันสามารถชี้นาสู่ความจริงและสัจธรรมคือถ้าตามตะ ก, กะทั่วไปเนี่ยเราจะบอกว่าเอา้าก็เขาไม่ยอมรับในพระเจ้าอยู่แล้วนี่หมายถึงว่าไม่ยอมรับว่า อัลลอ์เป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและจะไปยอมรับว่าพระเจ้านี่ให้ทางนำได้ไงเพราะเรากำลังบอกว่าในมูเจเวตเนี่ยมันสามารถที่จะชี้แนะทางสู่สัจธรรมได้ไหมจงกล่าวเถิดโอมุฮัมมัดอัลลอ์ทรงชี้แนะทางสู่สัจธรรม ก็หมายถึงว่าบรรดาเจวิเนี่ยไม่สามารถกูลิลลาหุยฮดีลิลฮักกีโอม u h a m ตอบตอบด้วยความมั่นใจนะอัลลอฮ์ตังหากที่จะให้ทางนำสู่สัธรรมเพราะองค์เท่านั้นน่ะนั่นแสดงว่ามันมีนัยยะในแฝงอยู่ว่าระหว่างท่านนบีม u h a m และกับพวกอาดับเนี่ยรู้รู้กันว่าเรื่องนี้นี่นะอรอบเดียวถ้ายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแสดงว่า ต้องยอมรับโดยปริยายว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้ให้ทางนำเจวเวดนี้นี่ไม่สามารถให้ทางนำด้วยเหตุผลอะไรอ่ะมีเหตุผลอะไรประการ น, นี้ผมเล่าเรื่องเรื่องด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะจะได้เข้าใจนะด้วยเหตุผลแหลรประการเช่นท่นานนบีอยู่ที่มกักกะฮ์แล้วก็รู้ไนงะเหตุการณ์นี่คนนี้เคยไปบูชาไปเส้นไหว้พระเจ้านี้เส้นไหว้ แล้วก็ถามพระเจ้านี่ปีนี้จะท่านจะไปธุรกิจไปทำธุรกิจที่เมืองชามันจะดีไหมมันจะได้กาไรไหมนะปรากฏว่าไอ้ไอ้ไอ้คนที่เขาดูแลเนี่ยพราะเขาจับฉลากให้บอกว่าอ๋อพระเจ้านี่บอกว่าไปได้เลยปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยรวยเละปีนี้เนี่ยรวยไปแล้วกลับมาเจ๋ง คือเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยไงเกิดขึ้นบ่อยที่ปรึกษาพระเจ้าที่ขอแนะนําของเจวเวเิตเราเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่สมหวังแสดงว่าเขารู้กันแก่ใจว่าบรรดาเจวเวินี้นะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความสามารถในการที่จะชี้แนะในการที่จะให้ทางนําอันนี้อันหนึง่งแสดงว่าระหว่างท่านนาบีกับอารับนี่เวลาเขาถามกันน่ะใครอะที่จะให้ทางนําอื่นจากอัลลอฮ์แสดงว่า ร, รู้กันว่า พวกนี้เนี่ยนะพอที่จะเป็นเขาเรียกอะไรพอที่จะเป็นของแบรนด์ไว้อวดชาวบ้านอ๋อฉันมีพระเจ้านี้ฉันมีแต่ก่อนนูมันอะไรเป็นแบบนี้มันเป็นแบรนด์มันอวดนะฉันบูชาพระเจ้านี้ฉันบูชาพระเจ้าบูชาพระเจ้านี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรนะค่านิยมในสังคมมีไหมปัจจุบันมีไหมมีมีมีเอาไว้มีเอาไว้ซื้อขาย แต่ไม่เชื่อไม่บูชามีใช่ไหมเอาไว้เซื้อเอาไว้ขายแต่บูชาไม่ไม่บูชา<笑>มันเป็นค่านิยม嘛แล้วผมชอบชอบเป็นะอะไรค่านิยมไงแต่ก็รู้ก็เป็นแบบงี้แหะค่านิยมแล้วเวลามาจากทางไกลเนี่ยก็เข้าไปเส้นไหว้เข้าไปนั่นหน่อยนะ้แต่เชื่อไหมล่ะวะเนี่ยตัวเนี่ยมันสามารถให้ทางไห น, นไม่เชื่อแต่ใจใ ร, รู้กัน อันนี้หรือเปล่า ท, ที่ท่านนาบีบอกว่าเนี่ยพวกเจ้าเวทเนี่ยให้ทางนำได้ไหมอัลลอ์เท่านั้นที่ให้ทางนำหรือทางนำตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าทางนำเฉพาะอะไรอะ่ะก็คือศัจธรรมความเป็นจริงความสัจจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดกับชาวอาหรับเนี่ยได้มีประสบการณ์ว่า จเจวิตที่เขาเอามาบูชานี่นะไม่เคยมีใครไปเส้นไหว้แล้วก็ขอให้ทางนําที่เป็นศัจธรรมส่วนมากเนี่เอามาบูชาจะได้ขออะไรอ่ะขอแต่งงานขอประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจขอให้เติบโตขอให้หายป่วยขอให้ไอของพวกเนี้ยแต่โอ้เวิตขอให้ฉันได้พบกับศัจธรรมกับความจรงิงไม่มีไม่เคย คนที่เคยปฏิเสธพระเจ้านี่ยุคนี้เยุคนี้เนี่ที่เขารับอิสลามมันเขาเคยเล่าเลสับสนมากไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแล้วก็หัวใจของเขาเนี่ยเขาเขามีความเชื่อลึกๆเนี่ยคือโลกนี้มันทุกงมีต้องมีพระเจ้าอ่ะเอาลองศึกษาศาสนาศาสนาคริสศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาอิสลาม แต่ที่คงทีไ่ไปศึกษาหมดนี่ไม่ไม่สามารถให้คำตอบที่เขาต้องการตัดบทเลยนะไม่ให้มนุษย์เป็นสื่อระหว่างฉันกับพระเจ้าที่ฉันอยากจะอยากจะพบเธอจึงขอพระเจ้าในรูปแบบไหนก็ตามพระองค์ท่านเนี่ย จะเป็นใครก็ตามถ้าท่านเป็นพระเจ้าที่แท้จริงไงนะช่วยให้ทางนํากับฉันด้วยไม่รู้ล่ะเป็นใครฉันยัไม่รู้ไงยังไม่เชื่ออะไรไงแต่ต้องมีพระเจ้าต้องมีอะ่ะสุดท้ายเนี่ยก็ได้ทางนําอีกคนหนึ่งเป็นคนไม่ยอมรับในศาสนาไม่ยอมรับในศาสนาเลยจนถูกทดสอบด้วยลูกสาวที่รักของเขาลูกสาวคนเดียว เป็น <c oughs> มีปัญหาที่โรคหัวใจหมอหนี้บอกเขาแล้วบอกว่าส่วนมากนี่ไม่รอดแต่จะต้องผ่าตัดแลก็ดูดูว่าจะจะรอดหรือเปล่าหมอก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ปล่อยพ่อเขาอยู่ข้างนอกพ่อเขารู้แล้วคือไม่เชื่อในพระเจ้านี่แต่เชื่อในวิทยาศาสตร์ใช่ไหม วิทยาศาสตร์ र. แต่วิทยาศาสตร์นี่กำลังบอกกาลังบอกกับเขาว่าเราก็ช่วยไม่ได้เราทำสุดความสามารถแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรตอนนั้นเรามานั่งคิดเลยอ่ะเอออาจจะโลกนี้อาจจะมีพระเจ้าข็นได้นี่เอ๊ะเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยพูดกับพระเจ้า ถ้าพะ อ, องค์มีจริงะถ้าพระ อ, องค์มีจริงแสดงเดชานุภาพให้ลูกสาวนี่ได้หายได้ได้ได้พ้นวิกฤตเนี้ยและฉันจะเชื่อสังเขาตอนเล่าเรื่องเนี้ยนะหัังจากที่เขาได้รับอิสลามแล้วอะไรแล้วเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวอาดับเนี่ยไม่ยอมรับอะ่ะอยู่ในหัวใจของเขาอะ่ะว่าพระเจ้าที่เขาสร้างเขาเนี่ยคือพระเจ้าที่สามารถให้ทางนำเพียงผู้เดียวแต่เขากลัวไม่อยากที่จะขอต่อพระเจ้าองค์นี้เนี่ยโออัลลอฮ์ขอให้ทางนำกับเราด้วยเถิดเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจะได้ทางนำเนี่ยนั่นหมายรวมว่า จเจวิเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยต้องไม่มีเล่าต้องไม่มีการพนันต้องไม่มีสโสเพณนีต้องไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องไม่มีต้องไม่นี่ทั้งหมดนี่ผลนี่คือชีวิตเนะ่ยการทำมาหากินทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราก็เห็นว่บางคนนี่ก็ยอมที่จะแลกเปลี่ยน อะไรเล็กน้อยเนี่ยพวกเงินเดือนเงินเดือนในสามสี่หมือ่นอย่างเงี้ยดีใจจะตายเลยพขาไปที่ทํางานเนี่ยขอที่ละหมาดอ้อนละหมาดที่นี่ไม่ได้นะคะที่นี่เขาไม่ให้ละหมาดนะต้องกลับบ้านเนี่คอยละหมาดเขามีความจําเป็นแต่อยอมทิ้งพระเจ้าชั่วคราวที่ทํางานไม่มีพระเจ้าละที่ทาําททงานไม่มีอรรถ พระเจ้าที่ทำงานนี่คือเจ้านายอ๋อจะขอคุมหี่ยาบได้ัหมพอได้จะทำมนูญก็ให้ทุกคนปฏิบัติตามความเชื่อตามตามหลักปฏิบัติแห่งคำสั่งสอนของไม่ได้ที่นี่ไม่ได้แอร์โฮสเตตการบินไทยจะคุมได้ไงก็มาดีการบินไทยแล้วสิมันจะเป็นไทยลันดิสตาน เออจะเปลี่ยนประเทศโอ้พวกนี้จะเอาประเทศไทยมาเป็นประเทศอิสลามไม่ใช่เขาเอาจจเอาอิสลามเฉพาะในตัวเข้ามาสิทั้งประเทศอ่ะเฉพาะในตัวเขาเอ่ะไม่ได้นะที่นี่เพราก็ตัวบนเครื่องบินจะไม่มีพระเจ้าแล้วยอมเขาหน่อยเพราะเงินเดือนมันห้าหกหมืน่นไงยอมแลกเปลี่ยนนี่กันเดือนแค่คนเดียวนี่ยอมมาศาสนานี่ เ, เก็บไว้ก่อนเอาไปที่บ้านก็พอ อันนี้ผมผมไม่ได้ตำหนิตลอดนะไ ม, ไม่ใช่แต่ผมกำลังบอกว่ามันเป็นจุดอ่อนของคนเราในยุคปัจจุบันนี่ยกตัวอย่างมาให้เห็นนะแล้วก็อย่างชาวอาหรับนี่นะมักกานี่นะมักกานี่ก็คือศูนย์กลางธุรกิจของข้าบสมุทรอาหรับอาหรับนี่คือแหล่งโสเพนี่นี่ที่มักก้าแหล่งการพ น, นันมักก้ แหล่งอุตสาหกรรมสร้างจเจว็ตมักกะอันนี้ใครจะซื้อจเจวิตอะไรนี่ที่ก็บูชากันทั้งข้าวสวรารอามินต้องมาซื้อที่มักกะของขังอ่ะของขังดอกเบี้ยกูยืมดอกเบี้ยมักกะมึงกันคิดดูสิอ๋อถ้าเรายอมมาแค่ยอมรับว่าทางนํามาจากพระเจ้าองนี้เนี่ยแสดงว่าที่นบีกัลลังสอนเราว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนู้นไม่ได้อันนู้นก็ทําไม่ไ ด, อนนไได้อันนี้ก็ทําไม่ได้อนนไไดโอ้ พังยับสมิมีอะไรเหลือแล้วแต่สินใจตั้งแต่แรกเลยอย่างนั้นตรงนี้นี่ไม่มีอัลลอฮ์แล้วตรงนี้ไม่มีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลละจะไม่มีอ่ะทั้งนั้นดิเต้นโสเพนีเต้นสีแดงเต้นสีแดงอย่างหรูหราเลยนะเต้นโสเพนีอยู่หน้ากาบะเจ้ามือดอกเบีย้ยนี่นะก็คือผู้นําของกูรชเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีที่รับแขกกันนะที่ผู้ใหญ่ของกูเรชเนี่ยเขาจะนั่งอยู่หน้ากาบะใครจะมากู้ดอกเบีย้ยนี้กันนี่มันตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างนี่มันอยู่ตอนหน้ากาบาแสดงว่ากาบาเนี่ยเป็นบ้านของอัลลอฮ์ไงแต่อัลลอฮ์ตรงนี้ไม่มีไม่มีคิดดูสิการดารว่าการต่อสู้ของท่านนาบีเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดไหนนบีไม่ต้องการให้เราทําเหมือนชาวกูดิชอาหรับนี่ก็คือ ความเชื่อในอัลลอฮ์นี่เก็บไว้ในหัวใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเออมีัลลอฮ์สร้างเชื่อเชื่อแต่ความเชื่อเฉยเฉยทฤษฎีนี่ความเชื่อทฤษฎีนี่ไม่ได้ความเชื่อนี่มันต้องมีมีการต่อยอดเชื่อในพระเจ้าจริงเนี่ยก็ต้องมอบสักการะทั้งหลายเชื่อฟังในคําสั่งสอนของพระองค์ทั้งหมดเลยเอาแล้วก็ชีวิตของเรามันไปคนคนละทิศคนละทางกับคําสั่งสอนของพระเจ้า ชีวิตก็ต้องเอาคืนกลับมาเนี่ยมาอยู่กับคำสั่งสอนของพระเจ้านี่นี่คือความศรัทธาที่แท้จริงและนี่คือด่ท่านน บ, บีต่อสู้กับชาวอาหรับไม่เอาละความเชื่อที่แบบเป็นดิสดีอยู่ในหัวใจเก็บไว้ในหัวใจแต่ชีวิตเนี่ยเรื่องอื่นนะนะทำตามสบายขานิยมก็ต้องเอาเจเวดมาแขวนน้ำกลาบ้านเนี่ยทไปเหอะไปพระเจ้าคงไม่ว่าหรอก ทำสินาผิดประเวณีกินดอกเบี้ยแต่ทาำไปเยอะพระเจ้าคงไม่ว่าหรอกเพราะเราก็มีมีความศรัทธาอยู่ในหัวใจนี่ความความเชื่อที่เขาที่เขาดำเนินชีวิตนี่มันเป็นแบบนี้นะคุิลล้าฮุยฮดีลิลฮักมุฮัมมัดจงตอบบวบาอัลลอฮ์ทรงชี้นะทางชีแนะทางสู่สัจธรรมดังนั้น ข้าลบในผูให้ทางนําแล้วเนี่ยถ้าไม่ย่ ل ى الحق ح ق أي ุต تباع أما لا يهدي إلا أيهدا فما لكم كيف تحكمون ดังนั้นผูทีชี้แนะทางสูสจธรรมสมควรกว่าที่จะได้รับการปฏิบัติอายุตบะได้รับการปฏิบัติตามก็คืออิบะดาควรแก่กัน อิบาดนะการเคารพสักการะหรือว่าผู้ที่ไม่อาจจะชี้แนะผู้อื่นได้เว้นแต่จะถูกชี้แนะทำไมพวกท่านจึงตัดสินใจเช่นนั้นถ้าคนนี่จะทางจะอยากได้ทางนำเนี่ยนะต้องคนอื่นมาให้ทางนาก่อนฉันเนี่ยจะไปสู่ทางนาสู่ศัจธรรมด้วยตัวเองนี่ไม่ได้ไอ้ทุกคนแบบนี้เนี่ย จะเป็นพระเจ้าได้ไงจะถูกปฏิบัติตามได้ไงเราจะต้องเคารพศักการะและปฏิบัติตามผู้สามารถผู้ที่มีความสามารถให้ทางนำกับคนอื่นด้วยผู้อื่นด้วยอาฟามายาดีลาฮักติผู้ที่ชี้แนะทางสู่สัจธรรมอะฮักกูสมควรกว่าอายุตบะที่จะได้รับการปฏิบัติตามก็คืออิยบาดานี อัลมาลายฮดดีอิลลัออยูดะหรือว่าผู้ที่ไม่อาจจะชี้แนะผู้อื่นได้ก็คือเจวเวตไงเจวเวตเนี่ยหมายถึงว่าเจวเวตนี่ไม่สามารถที่จะให้ทางนํากับผู้อื่นได้เรื่องนี้ลึกๆเนี่ย เ, เขารู้กันดีแล้วว่าขณะดเขายอมรับ ว, ว่าเจวเวตนี่เนี่ยไม่ได้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วมันจะให้ทางนํากับผู้อื่นได้ไงแล้วมันไม่สามารถให้ทางนํากับผู้อื่น ได้แล้วเราจะปฏิบัติตามมันได้ยังไงทีนี้มันมีกิริยาบางกิริยาที่อาจจะทําให้งงหน่อยอัลแฟมยาดีอิลฮักกีผู้ที่แนะนําทางสู่ศารรมยาดีแนะนําสู่อฮักกุอายุตัต่บ่าวสงควรกว่าที่จะได้รับการปฏิบัติตามอัมมัลายาฮิดดียาฮิดดี ยฮิดดีนี่แปลว่าแปลว่าได้รับทางนําผู้ที่ไม่อาจจะชี้แนะผู้อื่นได้เดิมเนี่ยคำว่ายฮิดดีเนี่ยมันก็เป็นกุณยา่าตัดีย่าตัดีนี่ก็แปลว่าเนี่ยผู้ที่ไม่อาจจะชี้แนะผู้อื่นยะาตะดัดีที่จะให้หมายถึให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับการชี้แนะนะ เขาบอกว่าตัวตานี่กับตัวดาเนี่ยตัวตากับตัวดาในดูที่ปากผมนะตาตาดามันคือที่ออกเสียงที่เดียวตากับดาซึ่งตากับดาเนี่ยโดยหลักอ่านภาษาหลักเนี่ยถ้ามันอยู่ติดกันนะนะบางทัศนิเนี่ยให้อ่านเป็นอักษรเดียวกันเช่นในสุ่ยอัลบากรอนอัลลอฮฺบอกว่าก๊ด ตัยนะรุชด um ูมีนั้ไงที่ริงนันกนคดตับยนะคดตับยนะมันตัวดาลคดแล้วก็ตั้บยันะพอมาใกล้เคียงมาติดกันนะก็เลยอ่านคดตับยนะอ่านเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวตานะเป็นตัวที่สองก็เดก็ดตบเยนะเอาตัวด้านี้นะมาผสมกับตัวตาก็เลยกลายเป็นกด แต่บเียนะไม่ใช่ดไม่ไม่ช่ตัวดานนะให้อ่านเป็นตาไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าอิบราฮมมุตะการิไบนอิบราฮมไปว่าผสมมุตะการิไบนที่ออกเสียงมันใกล้เคียงกันนะก็ให้ให้ผส ม, มเป็นอักษรเดียวไปเลยก็แต่บเียนะอันนี้ในหลักภาษา น, นี่ยเขาเรียกในในวิชาเขาเรียกวิชาซอฟซอฟนี่ก็คือการรู้ที่ไปที่มาของการของอักษรที่เราอ่าน ที่ไปที่มานี่มันเป็นยังไงอ๋อเดิมนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นยาฮิดดีเดิมนี่มันก็คือยาตะดัดีมีตัวตากับตัวดานตัวตากับตัวดานนี่นะในเมื่อมันอักษร อ, ออกจากที่เดีวยวกันนะก็ให้อ่านเป็นตัวเดียวไปเลยตัวตาก็อ่านเป็นตัวดานไปเลยถ้าเป็นตัวดานไปเลยอะนะเนี่ยมันก็เลยอ่านได้ยาฮิดดี ซึ่งมีกุรอานหนึ่งอ่านยาฮิตดีและมีกุรอานหนึง دي, ่งอ่านยาฮิตดีคือทั้งหมดได้มี6กคุรอานสำนวนอ่านนะที่ดังที่สุดนี่สองอันยาฮิตด ah ah ีและก็ยาฮิตดีแสดงว่ามันอันเดียวกันนะละอัลฟาไมยาฮิตกับอามมายาฮิตดีเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่ให้ทางนำสมควรแก่การเคารพสักการะหรือผู้ที่แล่ยาฮิตดีที่ไม่สามารถให้ทางนำ อิลลัยยูดะ น, นอกจากจะมีผู้อื่นมาให้ทางนำจึงจะได้ทางนำหมายถึงว่าคนที่จนทางนำจะเอามาเป็นพระเจ้าได้ไงทางดังดีพระเจ้าที่สามารถให้ทางนำเนี่ยเราไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าหรือไม่ได้มอบการสักดรให้พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวฝ่าแม่ละกุมไกรตักกุมูลทำไมพวกท่านจึงตัดสินใจเช่นนั้น มันจะมีประเด็นของคนที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าอ่ะคือในเมื่อไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าเลยอ่ะอายานี้บทนี้จะใช้ได้ยังไงกับเขาอ่ะถ้าบอกว่าผู้ที่ให้ทางนำควรแก่การสักส ก, การะมากกว่าอาจจะเขาไม่ยอมรับเลยว่ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้า พระเจ้าที่จะให้ที่จะให้ทางน้ำนี่นะฉันไม่ยอมรับนี่พระเจ้าแล้วอายานี้จะใช้ได้กับเขาไหมคือต้องเข้าใจการน่ปฏิเสธพระเจ้านะมันไม่ใีการปฏิเสธความจริงที่มันปรากฏมันเป็นการปฏิเสธในใจไปายถงว่าใจเรานี่ไม่ยอมรับนี่พระเจ้า ไม่ชีว่าการปฏิเสธเนี่ยเป็นการปฏิเสธว่าในเป็นจริงเนี่ยไม่มีพระเจ้าเช่นในห้องนี้ในมีน้ำและมีคนนอกมีคนหนึ่งเขาหิวน้ำอยู่เนี่ยแล้วก็เราไปบอกเขาว่าเนี่ยข้างในนี่มีน้ำเขก็ไม่เชื่อหรอกการที่เขาไม่เชื่อว่าไม่มีน้ำนี่นะมันจะไม่ปฏิเสธความจริงว่าห้องนี้มันมีมันมีน้าจริงใช่ม แทนนั้นที่อัลลอฮ์กำลังพูดกับเราเนี All ่ยอัลลอฮ์กำลังพูดแต่ความเป็นจริงที่มันมีจริงนี่นะว่าอัลลอ์ให้ทางนำาถึงแม้ว่าจะมีคนบางคนไม่ยอมเชื่อในพระเจ้าเลยแต่นั้นไม่ได้มารูว้ว่าการนี้เขาจะไม่เชื่อจะปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าจริงแล้วก็จะไม่มีทางนำที่พระเจ้าครอบครองอยู่เอาแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงอ่ะกับคนที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าอยู่แล้ว แล้วในเมื่อเขาจะอ่านอันนี้เขาก็ไม่ได้ประโยชน์อันนี้แน่นอนถ้าคนจะอ่านกุถ้าคนจะไม่ยอมรับในพระเจ้าและไม่ยอมอ่านกุรอ่านเนี่ยก็จะไม่ได้ทางนำจากกุรอ่านตรงนี้แต่ใครบอกละ่ะว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหูตาละจะให้มนุษย์เนี่ยต้องศรัทธาในพระเจ้าต้องผ่านกุรอ่านอย่างเดียวมีไหม มีมาเงื่อนไขในกุต้านว่าจะรับอิสลามเนี่ยต้องผ่ากคุตานอย่างเดียวถ้าไม่ผ่านคุตานเนี่ยความศรัทธาของเจ้านี่ใช้ไม่ได้มีไหมไม่มีไม่ไมีแสดงว่าอาลัลลอฮ์กำลังพูดกับคนนี้สามารถสนทนากับกุตานแล้วก็อ่านกุตานศึกษาคุตานเนี่ยให้รู้กันนะว่าพระเจ้าดีสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายนี่พระเจ้าที่ครอบครองความจริงและสัจธรรมต้องการความจริงและสัจธรรมนี่ขอจกอากอัลลอฮ์ แต่ถ้าค น, นี่ไม่ยอมเชื่อในคุร์านอยู่แล้วนี่ไม่ยอมเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วนะจบนลยอันนี้เนี่ยจบแล้วนะเขาจะต้องดิ้นรนในการหาความจริงและสัจธรรมในทางอื่นมีไหมมีเราเคยบอกก่อนหน้านี้นี่ว่าองค์การของอัลลอฮ์วจนะของพระเจ้าเนี่ยมีสองรูปแบบวจนะที่เป็นวาจาว่าถึงเ่อวจนะที่เป็นวาจาที่เป็นที่เป็นคําพูดของพระเจ้านี่ อันนี้คือองค์การอันเป็นวาจาเป็นวาจนะและมีองค์การของพระเจา้าอาญาองค์การอาญาของธรรมชาตินี่ก็เป็นวาจนะของอัลลอฮฺอัลลอฮฺได้พูดกับสติปัญญาของเรานี่ของมนุษย์นีินะด้วยวาจาสองประเภทวาจาที่ผ่านนี่หนิคำพูดของพระองค์ในคุตานนินะ และคำพูดที่อัลละ์พูดกับสติปัญญาของเราเนี่ยด้วยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้พบในโลกนี้เนี่ยย่อมเป็นสัญญาณที่อัลลอ์ส่งมาให้เราได้รู้จักพระองค์ด้วยนักศึกษาแพทย์สายเรียนแพทย์ด้านตานะคนจีน อันนี้เขาเล่าเรื่องของตัวเองไงนะเกิดในเมืองจีนเนี่ยโดยเฉพาะในวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือคอมมิวนิสต์เลยอนะ่ะคือไม่มีพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอธิบายแบบนั้นคืออธิบายแบบแบบไม่มีพระเจ้าแต่เขาไปเรียนเป็นเอกต่อที่อเมริกาพอได้ขยายความรู้ของเขาเกี่ยวกับดวงตาเนี่ย เขาได้พบร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนนะจะมีเซลของมันตาก็มีเซลของตานะผิวก็มีเซลของผิวตับนี่ก็มีเซลของตับป ร, <c oughs> ประสาทประสาทก็มีเซลประสาทตานี่มันก็มีเซลที่ที่ถูกเรียบเรียงมันจะได้มีตาจำนวนเซล์ของตานี่นะจำนวนเซลนี่นะเป็น หลายล้านล้านเซลเป็นล้านล้าน่ะและไม่ใช่ไม่ใช่หลายล้านนะไม่คือล้านล้านล้านล้านนะ trillion ล้านล้านน่ะแล้วก็เซลล์ล้านล้านเซลล์นี่นะมันต้องถูกเรียงด้วยวิธีนึงคนจะได้มองเห็นได้ถ้ามีเซลล์หนึ่งในบรรดาล้านล้านเซลล์เนี่ย มันถูกเรียงผิดปกตินะตาบอดด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเป๊ะเป๊แบบนี้นีนะเป๊ะเปแบบเนี้ยไม่ใช่ในหลายคนเนี่ยคือในล้านล้านคนเนี่ยในหลายล้านคนเนี่ยอาจจะมีคนหนึ่งตาบอดเนื่องจากความไม่ปกติของของเซลล์นี่แหละ แต่เขาบอกว่าไม่ในคนเดียวนี่นะการที่จะมีลาลาลาลาเนี่ยถูกเรียงแบบนี้เป๊ะเป๊ะถ้หลักวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นไ ป, ไปไม่ได้มันต้องมีภาพบ้างเขาก็ไปปรึกษาอาจารย์ของเขาซึ่งอาจารย์ของเขาเนี่เป็นเป็นคนคริส <c oughs> อันนี้สเตปแรกกันะที่เขาจะจ ะ, จะรู้จักพระเจ้าเนี่ยนึกว่าไอ้หมอนี่ไม่ได้ผ่านไบเบิลไม่ได้ผ่านกุรานไม่ได้อะไรเลยนะ ผ่านอะไรอ่ะวจนะของพระเจ้าในสิ่งแวดล้วนี้อันนี้อยู่ในตัวเราเองอ่ะเขาบอกนี้มันเป็นไปได้ไงอ่ะเซลล์นี่มันถูกเรียงแบบเนี้ถูกจัดสรรแบบนี้แบบเป๊ะเป๊ะแบบเนี้มันเป็นไปได้ไงอ่ะคือในเลือดโลกโลกนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีแล้วมันจะเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะเขาบอกก็อ่ะคุณลองคิดดูสิคุณเชนเกอรไปดูดิ หน้าต่างนี่ไปดูข้างล่างรถไอ้อุปกรณ์อะไรทั้งสะพานอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้ามีคนบอกว่าเนี่ยไอ้สะพานรถไฟฟ้าถนนฟุตบาทอะไรต่อไม่อะไรนี่นะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นป่าแล้วอยู่ดีดีมีคนก็มาเคลียร์มาตั ด, มา ต, ดมาตัดต้นไม้ตัดยอดตัดไม่รู้มแล้วตอนอยู่นี่ก็มีเหล็กมาปร์ปร์เ กลายเป็นสะพานกลายเป็นรถกลายเป็นคุณจะเชื่อไหมมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้แล้วทําไมคุณเชื่อว่าเซลตาเนี่ยมันสามารถรวมตัวกันได้โดยไม่มีผู้สรรหาผู้จัดการผู้จัดสรรหมอคนจริงคนนี้เขาบอกว่านี่คือจุ ด, จดเริ่มต้นในการเชื่อว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างมีพระเจ้าไม่มีกูอ่านแล้วนะ อันนี้เขาไม่ได้รับทางนําไม่รู้รื่จักพระเจ้าจากพุทธนาฏของพระองค์นั้นไม่ได้อ่านกุศอ้อนอ้นี่ไงพระเจ้าพระเจ้ากำลังพูดกับฉันเนาะเปล่าเลยเริ่มต้นจากการดูดูดูทจริงเนี่ยกุศลอ่านเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่แล้วในสุรษะดาริยานี่อัลลอฮฺบอกว่าฟีอันฟุษิกุมอฟละตุบซีรุนแลในตัวพวกเจ้าพวกเจ้ามองไม่เห็นในตัวพวกเจ้านี่มีหลักฐานว่ามีพระเจ้า พวกเจ้ามองไม่เห็นตรงนี้ต้องมีคนขึ้นคําถามขึ้นมาหลังจากที่ทําให้พวกคนเนี่ยมุ่งไปแล้วใช่ไหมโอ้ยใช้เวลาไม่ต้องใช้คํำว่าเสียเวลาใช้เวลากับเรามาพูดเรื่องยอมรับในพระเจ้าไอ้เรานี่ยอมรับในพระเจ้าอยู่แล้วเรานี่ศรัทธาในพระเจ้าอยู่แล้วทําไมทําไมต้องมา ต้องมารับรู้เรื่องนี้ทำไมต้องมามาเข้าใจตะ ก, กะนี้มันมันมีประโยชน์อะไรล่ะมีสามประโยชน์สำคัญหนึ่งในการเรียนรู้คุรานเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสกับประโยชน์กับตัวเราเองโดยตรง ประโยชน์ที่เราเชื่อว่านี่คือนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราใช่ไหมประโยชน์ของเรานี่ที่แน่นอนนะว่าว่าอันี่คือคําพูดของพระเจ้าเพราะว่พระเจ้าพูดของเราเนี่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้อันนี้คือประโยชน์สุดยอดแล้วสําหรับเราถึงแม้ว่าเราไอ ي, ้มันมีแค่ะผมเคยยกตัวอย่างอะยานั Quran, นยูในคุรอันส่วนอะบคาราะกะรัอ่านนะได้ผลลบด้วย และบรรดาสตรีที่ถูกยาแล้วเนี่ยให้รอประจำเดือนสามครั้งเ ร, เรานี่ก็เป็นสตรีก็ไม่ใช่เป็นภรรยาก็ไม่ใช่ถูกยาก็ไม่ใช่และอายะนี้มันเกี่ยวอะไรกับตัวเราอะ่ะใช่ไหมถ้าเราจะตั้งเงื่อนไขว่าอ๋อทุกอายะทุกองการที่อัลลอฮ์คุยกับเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเราโดยตรงนะ พออย่างงั้นกูอ่านนี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วสิไม่ใช่เราต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าทุกอาย่านี่เราต้องมีประโยชน์แน่นอนถ้ายังไม่เจอนะาประโยชน์ยังไม่เจอนะไออย่างเช่นพอเดี๋ยวเราจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งงานแล้วเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าตอนหย่าเนี่ยไอภรรยาอดีตภรรยาที่เราหย่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาต้องเาต้องรออิดดานี่ต้องรอคอยประจาเดือนกี่ครั้ง อันนี้อันนี้สมมติฐานว่าเรากำลังพูดถึงผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็โอเคแล้วเขา ก, ก, ก็พบละประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเจอละแต่สําหรับผู้ชายละ่ะถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นยังไมไ่แต่งงานยังไม่ไดีเกี่ยวข้องคนที่ถูกยาเนี่ยอาจจะเป็นน้องสาวอาจจะเป็นพี่สาวอาจจะเป็นลูกสาวเราในฐานะที่เป็นเป็นคนที่ดูแลเขาเนี่ยเราก็ต้องรู้ฮุกรมนี้เนี่ยทำไมอย่าดูลูกสาวโดนหลอกใช่ไหมดูลูกสาวไม่รู้แล้วก็ไปนับอินดา้าผิดเราก็ต้องชี้แนะเขา อ่ายังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดนั้นนะนะเรามีคําตอบสําหรับทุกอายะถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวตรงกับตัวเรานี่มันแค่คําพูดของพระเจ้านี่นะฉันเนี่ยต้องภูมิใจว่าได้คําสั่งสอนของพระเจ้าของฉันเนี่ยให้เรียนรู้ให้เข้าใจให้ดีนะนะนั่นคือสุดยอดแล้วของฉันสุดยอดแล้วของฉันเออใช่เหรอใช่สิถามว่าคนที่เข้าไปเรียนนิติศาสตร์ เรียนกฎหมายอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะนี่บางทีก็เกี่ยวกับตัวเองบางทีก็ไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่สุดท้ายนี่เขายอมรับว่าเรียนกฎหมายนี่เพราะเขาเป็นนักกฎหมายไงและเขาจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นนักกฎหมายจนกว่าจะรู้กฎหมายถูกเรื่องเลยถึงจะได้กว่านักกฎหมายแต่ถ้าหากว่ารู้แบบงูป้านี่นะอันนี้ไม่ได้กว่านักกฎหมายเอะไรก็ได้เรานี่ก็งูป้านะะัก รู้บ้างไม่รู้บ้างเช่ไหมแต่ย ก, ก็เป็นนักกฎหมายนี่เขาต้องรู้กฎหมายหมดเลยสิอย่างที่บอกเราจะถือว่าเป็นอลัล์รุลกุรอานเนี่ยชาวกุรอานเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องกุรอานนี่อ่านแล้วก็เข้าใ จ, อ, า อ, าจ อ, อ, าาอ่า น, น, นรู้เรื่องเรื่าจะเหมือนตุกุชานุชาอื่นนี่นะรู้เรื่องนี่อ๋องูงปลปลอ่านนะ ถ้าเราอ่านกุฎอ่านทั้งเรือเรื่องกุฎอ่านว่ามูมูปะป่าก็ไม่ใช่ชาวกุฎอ่านแล้วสิแล้วจะไม่ชาวกุฎอ่านนะเสียหายไหมสําหรับคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าเสียหายอะไรมากนั่นแต่ไม่ได้เป็นชาวกุฎอ่านแล้วยังไงอันนี้นีก็แล้วแต่แต่เราอธิบายแล้วไงว่าการที่จะเป็นชาวกุฎอ่านเนี่ยมันมีประโยชน์ประโยชน์ขนาดไหน การที่ไม่ได้เป็นชาวกุตตานเนี่มันเสียหายขนาดไหนสองตะกี้หนึ่งแล้วใช่ไหมอ่านหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งนี่แค่รู้รู้ความหมายกุตตานเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์มาอาสแล้วถือว่าภูมิใจแล้วสองอันเดียวกันอันแรก <c oughs> การที่เราอ่านกุตตานคือว่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราใช่ไหมมีประโยชน์อะไรล่ะอย่างเนี้อายอัยยะพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์ครอบครองความจริงแล้วสก็เรารู้ เราอยอมรับในเส ร, รีธรรมยอมรับในพระเจ้าอยอมรับว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ให้ทางนั้นอยู่แล้วอายะนี้มันจะมีประโยชน์เพราะฉันเชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้ไงมันจะมีประโยชน์อะไรกับฉันน่ะคือพื้นฐานแรกๆนะเรารู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องนี้อันนี้เป็นประโยชน์และพื้นฐานนี้เป็นประโยชน์มหาศาลแล้วสาหรับชาวกุตตาเรื่องที่สองเราเรียนรู้ตะกะรนี้เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนดี ไม่ยอมรับในเรื่องนี้แล้วเราเอากุฎาญเนี้ยตกกะกรารคุฎานเนี้ยไปพูดคุยกับคนอื่นเขาทําไมอ่ะเพราะผู้ศรัทธาหรือชาวกุฎาญเนี่ยเวลาจะไปเตือนคนอื่นนะนะเธอเตือนด้วยตกกะการทั่วไปนี่มันก็พอใช้ได้ใช้ได้นะเอาตกกะการทั่วไปเนี่ยไปคุยกับคนอื่นเขาจะได้ยอมรับในสัาธรรมนี่ใช้ได้แต่สําหรับชาวกุฎาญเนี่ยจะไม่เห็นมีตกกะการ ที่มีความสว่างมีความตรงไปตรงมามีความสิริมงคลดีกว่ากุตานเพราะฉะนั้นท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามถูกใช้ให้เอากุตานเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่พ่วาอ์ฮะและข้าพเจ้าถูกวะฮิยูถูกส่งมาประธานอันกุตานลงมา เพื่อ er, เอากุฎอ่านเนี่ยอุนวิรากุมบีไปตักเตือนพวกเจ้าบีฮีด้วยกุฎอ่านเตือนด้วยกุฎอ่านเผยแผ่ด้วยกุฎอ่านนั่นแหละบอกว่าดาวะเผยแผ่ อ, อิสลามด้วยกิตาบุญละละสุนนะเพราะนี่คือแนวทางของท่านนาบีเองนบีดาวะด้วยอะไรด้วยคุฎอ่าน อย่าบอกว่าซุนนาเพราะซุนนาเนี่ก็คือคำพูดของนบีเองเนี่ยนบีพูดอะไรก็เป็นซุนนาแล้วไงแต่เครื่องมือของท่านนาบีในการเผยแพร่นี่คืออุนเสระกุมบีฮ um ีด้วยกุรานนี่เรื่องที่สองละเรื่องที่สามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเพราะอ่านในกุรานคือเรายอมรับแล้วยอมรับอยู่แล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับสําหรับเราละ่ะ การเรียนรู้ความรู้ตะ ก, กะวิชาต่างๆในกุตตานเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะช่วงนั้นนะที่เราเรียนที่เราอ่านตรงตรงนั้นนะว่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราได้เรียนรู้อายะนี้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ตรงนี้แค่นี้ไม่ใช่เราได้เรียนรู้กุตต า, านมาเนี่ยเพราะกุตตานนี่สามารถที่จะข้อดความรู้ ร่วมสมัยในเวลาอื่นที่สถานการณ์ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราเข้าใจกุตอานในวันนี้เรายอมรับแล้วนะในวันนี้แต่อีกสักวันหนึ่งอีกสักช่วงหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งะนะเราอาจจะต้องใช้คุตอานสักอย่างหนึ่งในสถานการณ์นั้นน่ะถ้าเราไม่ไดเรียนรู้อันนี้รบะบก้อมเรายอมรับแล้ว น, นี่อันนี้อันนี้เก็บ บางคนเนี่ยอาจจะมีนโยบายีฉยเนี่ยอ๋อถ้าอะไรที่เข้าใจอันนี้อันนี้เคลียอันนี้เคลียอันนี้โอเคอันนี้โอเคแล้วจะพันบาทนะพันบาทให้มันพันบาอันนี้โอเคอันนี้อันนี้มีะอันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแตาคนได้เป็นแบบนี้คืออะไรที่มันสกิดใจอะไรที่มันดูดูท้าทายหน่อยนะอันนั้นเอาเอามาใส่ใจหน่อย แต่เรื่องที่เขายอมรับอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหานีแต่พอเกิดสถานการณ์น่ยนะต้องการอันนั้นนะ่ตะตอนนั้นนะ่ะเฮ้ยอะไรนะเนี่ยอ้มันเคยผ่านนะเคยผ่านนะเคยผ่านนะเคยเรียนมาแล้วมันว็บเว็บเวว็บเนี่แหละเพราะอะไรเพราะเรานึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่เรายอมรับไปแล้วเนี่ยเราก็ผ่านผ่านไปแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับเราคุณ ประโยบสหรับสถานการณ์อื่นที่เราต้องเอาไปใช้กับคนอื่นเราควรที่จะเรียนรู้และก็ซึมซับไว้เพื่อจะใช้ในสถานการณ์อื่นในเวลาอื่นก็ได้ในท่อนนี้เนี่ยของสุรุยูนุสมันมีเรื่องเป็นจุดสังเกตที่ ท, ที่ที่น่าสังเกตนน่ า, น, าน่าสนใจมากที่ผมรู้สึกนะสำหรับคนที่กำลังแสวงหาความจริงและสัจธรรม ถ้าใครที่อ่านอายะเนี่ยคือเขาต้องรู้สึกว่าเออมีพระเจ้าที่พูดถึงสัตธรรมพูดถึงคนที่กำลังหาความจรงิงคนที่ต้องการศัจธรรมคนที่ต้องการทางนำคนที่อ่านอายานี่เนี่ยจะรู้สึกเลยถึงพระเจ้าที่เป็นห่วงมนุษย์พระเจ้าที่สงสารมนุษย์พระเจ้าที่แค่ ใส่ใจอยู่กับมนุษย์เนี่ยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ต้องการอะไรมีมีอะไรที่อยู่ในใจนี่ที่พระเจ้านี่รู้แต่ถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามข้อมูลและสถิติเนี่ยเราจะไม่พบบรรดาจเจวิหรือพระเจ้าจอมป้อมที่ถูกอุปโลกในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะได้ทางนำหรือไม่ได้ทางนาไปดูได้เลย บรรดาเวิบรรดาอะไรที่ถูกอุปโลงก็เป็นพระเจ้านี่เขาสนใจไว้หรือมนุษย์จะต้องคบกับความจริงต้องรู้สัจธรรมไม่มีหรอกไม่ไมีหรอกคนที่จะรักอัลลอ์มากที่สุดเนี่ยคนที่รู้ว่าอัลลอ์มีความสามารถมีเดชานุภาพที่จะให้ประโยชน์กับเรามากขนาดไหน และคนที่ให้ความสำคัญกับศัลธรรมมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ a l l a ให้เรากิน Allah ให้เรามีเงิน Allah ให้เรามีความสุขมันก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นน่ะนะถ้า Allah ให้เราได้มีเงินโอ้เราจะรัก Allah มากเลยแต่ Allah ให้เราได้มีความสุขก็ขจะรัก Allah มากเลยแต่การที่เรารู้ว่า Allah ให้เราเนี่ยมีทางนำควรที่จะเป็นเหตุผล ที่เยี่ยมที่สุดสําหรับผู้ศรัทธาที่จะให้เขานี่รักอัลลอฮฺดังนั้นอัลมอฮฺได้บอกว่ามันไม่มีความโปรดปรานมันไม่มีเนาะมะความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยดีกว่าการที่เขาได้รู้ศัจธรรมรู้จักพระเจ้ารู้ทางนำนี่คือสุดยอดของของรางวัลของของขวัญที่อัลลอฮฺจะให้มนุษย์อยู่ในทางนํา ถ้าเรามีเงินของโลกนี้ครอบครองโลกเงินในโลกนี้ทั้งหมดข้ออํานาจทั้งหมดได้อยู่ในมือเราแต่ไม่มีทางนําไม่ได้อยู่ในทางนําก็ถือว่าขาดทุนแต่ถ้าเรามีทางนําแต่ไม่มีเงินสักกะบาทไม่มีอํานาจสั ก, กนิดเราถือว่าคุ้มแล้วมีทางนําเมื่อถือว่าคุ้มแล้วเพราะฉะนั้น พอฟังอายะสองอายะนี้ที่อัลลอฮ์พูดถึงทางนำนะอัลลอฮ์เท่านั้นนะที่ครอบครองทางนำแล้วก็สามารถมอบให้ทางนำเนะีอยู่ที่อัลลอฮ์นะใครที่อ่านหล อ, อายะนี้ก็จะก็จะรู้ละรู้ละมาถูกทางละถ้าหลงถ้ารู้สึกจะหลงรู้สึกจะสับสนรู้สึกจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนนะนะจะไปขอฮีดายะขอทางนำจากใครจากไหน แต่พระเจ้าเราศึกษานี้ว่าเราศึกษานี้ยเเราศึกษากูอันนี้หาทางนำหาทางนํไมคือทางนำเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวที่คนอย่าง็ผมเนี่ยอธิบายเนี่ยทางนำไม่ได้อยู่ที่ตัวผมไม่ได้อยู่ในตัวอักษรไม่ได้อยู่ในจอนะทางนําอยู่ที่พระเจ้าฉะนั้นเรากําลังหาทางนําในเรื่องเนี่ยแต่เวลาขอเนี่ยกําลังศึกษาอยู่ขอเราขอให้ฉันได้เข้าใจขอให้ฉันได้มีทางนํา น, นี้นี่ไม่ได้ขอจากผมไม่ได้ขอจากนี่นะขอจากพระเจ้าอาจจะมีจอมีเขียนเป็นอย่างดีแล้วนะมีสีแยกแล้วนะสนะีสีสันนะแต่ไม่ได้มาดวมาแบบนี้ก็อ๋อนี่ทางนําอยู่นี่แน่นอนชัดเจนแล้วชัดเจนชัดเจนแล้วไม่ใช่ผูกพันนะทางนํานี้กับอัลลอฮฺ มีดวอาเฉพาะนี่ผมตะอนของผมสงสัยมากเลยดวอาที่ท่านนบีขอตอนละหมาดเตียมุลเลลเฉพาะเลยมันจะมีดวอาอิฟตีต้าดวอาเปิดละหมาดนี่นะที่นบีขอได้ทั้งฟอดดูและกะซุนนะกลางวันและกะกลางคืนแต่จะมีดวอาหนึ่งอะนะนบีขอเฉพาะเปิดละหมาดกตียมุลเลลอัลลอฮุมมารับบัิบราอีลละวอิสราฟิลโอองค์พระผู้อภิบาลแห่งจิบรีล อิสราเอลจิบรีลเป็นมลายกาผู้นำผู้ริเริ่มทาสั่งสอนที่มายังนบีละอับสุนี่ก็ต้องผ่านจิบริลอิสราเอลก็คือมลายกาที่จะเป่าเครื่องเป่าในวันเกลียเป่าสุดนี่จะได้เลิกเลิกละเริ่มมวลเกมาลเหมือนจิบรนจุดเริ่มอิสราเลจุดจบอัลลอฮุมะรบบิบรไอละอิสรล ฟาติรัสิ่งวรรค์และผู้ทรงชนฟ้าและบันทึก ع ا ล م الغيب و ل ا ل ش ه าด ة ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยอันจะต่ตัดสินไม่ในอิบาดิกะฟี่มากันฟี่อย่างโทรศัพท์เพระองค์จะเป็นผู้ตัดสินระหว่างเบาของพระองค์ในสิ่งที่เขาขัดแย้งกันอิดีนีได้โปรดให้ทางนำแก่ข้าพเจ้าด้วยลิมัตล ختلفو فيه من الحق بإذن ในสิ่งที่เบาของพระองค์ขัดแย้งกันในเรื่องสัจธรรมโอ้มันเรื่องศัจธรรมนี่ก็มีความขัดแย้งกันด้วยใช่ต่างคนต่างอ้างสัจธรรมไงคนนี้ก็ขึ้นขุดบ้านนี่พี่น้องที่ผมพูดนี่สัตย์จริงสัตย์จริงนี่ขวานะไปขึ้นขุดบ้านคนหนึ่งพี่น้องผมขอสาบานเลยนี่ผู้พูดนี่สัต จ, จริงอันนี้ไปซ้ายเลยนะอันนี้ขัดแย้งกันในเรื่องอะไรก็ทั้งสองใช้คําว่าสัตย จริงสีลธรรมคนเราเรานี่นะทำยังไงเ่งงสิครับต้องงองสิทำยังไงอะถ้างา ง, งอะฟังช่องนี้ก็ชัดจะชัดแล้วนะพอไปฟังอีกช่องหนึ่งไม่ชัด <laughs> ทำยังไงดีอตื่นละหมาดกลางคืนเราขอดูอันนี้อิฮ์ดิ ني ا ฟ ل ي مختل ففيه من ก ل ح ق في إ ذ เป็นสิ่งที่เบาของพระองค์นี่กำลังขัดแย้งกันเกี่ยวกับศัจจธรรมอินนกะตะดีมันตะช้วิลาศรัติมุสตีมแท้จริงพระองค์ท่านเท่านั้นที่จะให้ทางนำอันเที่ยงตรงสำหรับที่พระองค์ส่งประสงค์ทำไมต้องนบีต้องขอดูอานี้ช่วงละหมาดกลางคืนเตียมุลเลลเพราะคนที่ละหมาดเตียมุลเลลเนี่ยก็จะเป็น เป็นคนเฉพาะของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะตื่นละหมาดเตรียมุลเลนแล้วก็ขอดุอ่านี้นี่นอกจากคนที่รู้ทางแล้วไม่เล่นละไม่ไม่เล่นละไ่เล่น่เล่นในแบบไหนอน่ยเล่นแบบนี้มาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยโอ้โหเนี่ยมาละหมาดนะละหมาดนะทํามหาเสียงอันนี้เล่นละหมาดเล่นเล่นทุกอย่างก็มีเล่นใช่ไหม กินก็มีเล่นเนาะเฮ้ยทำอะไรกินเล่นให้เดินมาทําอะไรเดินเล่นให้มยละหมาทําอะไรละหละมาเล่นไม่รู้อะกูละหมาเล่นไม่ละหมาดจริงหรอกนี่ของเล่นมันมีเยอะแยะแต่ตื่นละหมาดกันคืนไม่ใครเห็นนี่คนนี่ น, น, นี่จริงของจริงละน บ, บีจึงบอกมีหาดิสบทหนึง่งการละหมาเตียมุดเลยนี่มันขัดจัด โอ้อวดใช่ดิคนนี่แล้วขึ้นเลยตื่นละมากนกลางคืนนี่จะไปอวดใครอ่ะจริงจกอ่ะกลคืนนี่มีใครเห็นหรือมีเนี่ยตะกะตานจริงจกมีมแมลงสาบเมยียนที่มันเห็นอย่างเดียวคนนี้ตื่นละมากลางคืนเนี่ยต้องการให้อัลลอฮฺเห็นเท่านั้นแล้วจะรู้ว่าเราแสดงว่าขอจาก Allah, อัลลอฮฺอีกดีนี้ขอทางนำในเรื่องที่เขาขัดแย้งกัน ในเรื่องที่ฉันสับสนในเรื่องที่ฉันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนยังไม่รูจ้จะเลือกทางไหนนี่โอ๋เหรอได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยวันนี้นานไปนิดนึงยาวไปนิดหนึ่งเพราะมีพี่น้องไปบ่นนะครับบอกว่าทิที่แล้วนี่เชกนี่มาได้อธิบายอะไรเลยข้อมูลซ้ําๆเดิมๆกับ น, น้องๆเข้ามากันปีละครั้งเลยน ะ, ะมีใครมีคาถามไหมครับ เวลาที่มีอะไรที่ขัดแย้งกันความี่เห็นไม่ตรงกันระหว่างลูกกับพ่อแม่คนระับลูกต้องมีฝ่ายยอมตลอดเลยไหมหรือว่าลูกมีปิติจะพิจารณานเรื่องที่ต่างกันได้ไหมต้องอูดกันเสมอห้ามในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเถียงพ่อแม่ก็ได้มีคนนึงไปถามมามชาฟีบอกว่าผมเนี่ยเถียงกับพ่อแม่ได้ไหมเขาบอกว่าอย่าว่าอย่าว่าเถียงพ่อแม่เนี่ยรองเท้าพ่อแม่เนี่ยเถีงเยงแหละ พ่อแม่ถ้ามีรองเท้าอ่ะนะแล้วรองเท้ามันพูดได้อ่ะนะอย่าเถียงรองเท้าพ่อแม่อะทาอะไรอะครับครับครับครับเดี๋ยวที่ที่มาต้องการเดี๋ยที่ป่าต้องการเดี๋ยวทำให้หมดเลยสบายใจได้เลยถ้าบาปก็ไม่ต้องทําถ้ามีเรื่องที่ดีกว่าก็ทําแต่อยให้เขารู้ถ้าเขาไม่สบายใจก็อาอย่ารู้ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเนี่ย อย่าแต่งคนนี้แต่งคนนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายนี่เชื่อฟังเขาดีกว่าทำไมอ่ะผลลัพธ์ของการเชื่อฟังพ่อแม่ผลละบุญนนในนการเชื่อฟังมหาศาลมากกว่าประโยชน์ที่เราได้จากการเลือกของเราเองที่เราคิดว่ามันดีกว่าการเลือกของพ่อแม่เรื่องนี้ผมพูดแบบนี้ก่อนที่จะมีลูกนะก่อนที่จะมีลูก พูดแบบนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าตอนมีลูกออกพูดแบบนี้จะได้เพราะ อ, อันนี้เพราะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่พูดก่อนที่จะมีลูกคุณค่าของพ่อแม่นี่ถ้าเราศึกษากุศลอ่านจริงๆนะ่เราจะรู้นี่แค่รู้นี่ว่าสวรรค์ น, นี่อยู่กับพ่อแม่นะดูอาของพ่อแม่นี่ยให้ลูกในมุสตาจานี่แค่รู้เนี่ยก็แสดงว่ารู้คุณค่าของพ่อแม่ขนาด ไม่คุ้มนะฝ่าฝืนพ่อแม่ในบางเรื่องนี่ทําให้เขาไม่สบายใหเขาเสียใจไม่สบายจะไม่คุ้มเลยสมมามีผู้ชายผู้หญิงมาชอบผมครแล้วแล้วผมก็ชอบเขาคือชอบกอดกันนะครับแต่ปรเด็ว่าพี่หญิเขาเป็นอิสระไม่ใช้ชีอะนะผมเป็นสตดีเราเราสมัครแต่งานกันได้มันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนตำรวจกระโจนแต่งงานกันอยู่ด้วยกันได้ป่ะ อันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแต่งงานได้นะโดยรวมนี่ก็ถือว่าเป็นมุสลิมโดยรวมแต่เขาจะมีความเชื่ออะไรแปลกๆที่ไม่ตรงกับเราข้อปฏิบัติอะไรแปลกๆที่ไม่ตรงกับเราเขาอาจจะมีดูอาที่จะต้องสาบแช่งสาบแช่งสาวกนบีทั้งนั้นที่เราเนี่ยไวล้เวลาเราพูดเนี่ยก็ต้องสรเสริญสาวกนบีมันก็ตัว อ, อะไรแปลกๆ จะแก้บวชนี่แก้บวชไม่ไม่เหมือนกันละสินอดนะนะละสินอดนี่ไม่เหมือนกันเราจะละสินอดช่วงค่าเขาจะละสินอดช่วงมืดไม่เหมือนกันอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกันพอมีลูกแล้วเนี่ย เ, เป็นประเด็นเลยลูกจะเป็นสุนีรหรือเป็นเชียถ้าเสียสละเอาไปเลยยกลูกให้ไปเลย ตอนนี้อาจจะพูดได้โอ้สุดที่รักเอาเปไปเลยลูกของเธอเอาเปไปเลยแต่ตอนมีลูกจริงๆนะนะทุกคนเนี่ยจะทุกฝ่ายเนี่ยจะหวงแหนลูกของตัวเองอยากให้มีความเชื่อเหมือนตัวเองเพาะฉะนั้นถ้ต้องการชีวิตที่มีความมั่นคงมีมีความราบรื่นนะนะควรที่จะที่จะเลือกที่ที่มีความเชื่อตรงกันดีกว่า อย่างเดียวมันเขาในตรงตรนี man man ้ยครับมันหมายถึงการสร้างนาบีอาดัมไหมไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เลยเพราะจะสร้างนาบีอาดัมแล้วก็ยูอี้ดูฮูแล้วก็ขึ้นนบีอาดัมคนเดียวเหรอแล้วมีมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่ะมันจะเป็นเหตุผลที่จะพูดถึงเดชาโนว่ามันล้อกับมนุษย์ทั่วไปมันมันมันแค่เรื่องคนเดียวไงแต่แต่ชฟบอกว่ามันสร้างจากไม่มีเชื้อครับแต่ว่าถ้าโซในคาร์ลกอร์มิง มินต <t oss c oughs> ์สุมม่สุมม่มินตุพัุ่มสาวกอรุณสิครูจุฬาไอมินตันธุเนี่ยไม่มีเชื้อแม่ไม่เชื่อมาจากไหนสร้างนบีอาดัมจากดินใช่ป่ะดินมาจากไหนเขาก็ใช่ดิกหมายถึงว่าเดิมเดิมนี่ไม่มีอะไรเลยเดิมเดินี่ไม่ีอะไรเลยสร้างนบีอาดัมมาจากดินดินมาจากไ็มาจากเปา จะเวลาจะฟื้นคืนน บ, บีอาดัมอีกครั้งหนึ่งอะนะจะเชื่อเดิมของร่างกายสรีระของน บ, บีอาดัมเนี่ยจะสร้างอีกครั้งหนึ่งแต่เดิมเนี่ยตอนสร้างเราครั้งแรกอะนะสร้างเราครั้งแรกนะ่ยมาจากนุ่นฝาจากน้ําอสูจีจากไข่ใช่ปะ่ะและ้วก็เดิมเดิมนี่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไข่ไม่มีเดิมนี่ก็ไม่มี หมายถึงว่าเราจะกลับไปสู่นาเ บ, บียดังเป็นคนแรกใช่ไฮมใช่ไห ม, ไหมแล้วก่อนนาเ บ, บียดังมก็มีดินก็ไม่ใช่นเ บ, บียดังแล้วสิก็ไม่ได้สร้างนาเ บ, บียดังเราก็บอกว่าเริ่มสร้างแรกสร้างแรกนี่ก็คือสร้างดินหรือสร้างโลกแล้วก่อนที่จะโลกนี่ก็ก็ถ้าทฤษฎีเนี่ยบิ๊กแบงอันแรกเลยค่ะหมายถึงว่า ก่อนนี้จะมีโลกนี้ก็จะต้องต้องไปก่อนโลกนี้ใช่ไหม น, นี่คือจุดเริ่มต้นก็ยบเดอุลเขก็ไม่ใช่แั่งนบีอาดัมอย่างเดียวก็ได้แต่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างกันแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมมมตอนสร้างเนี่ยไม่มีเชื้อดั้งเดิมของมันเนี่ยที่เราจะสร้างเราสร้างมันมาโดยไม่มีวัตถุดิบทั้งแต่แรกเลยโดยเฉพาะมนุษย์เราถูกสร้างมาจากเชื้อน้ําอสุจิไข่ก็จริง แต่โดยรวมนี่หมายถึงว่าตัวเรานี่ถูกถูกสร้างมาจากสิ่งที่พอจะมีเหตุผลว่ามันน่าจะเป็นที่ไปที่มาของเราได้เนี่ยมันแทบมองไม่เห็นว่าน้ำอสุจิเนี่ยที่มันออกจากช่องปัสสาวะแล้วก็ไข่ที่มันออกจากช่องคลอด แลาพอผสมอยู่ในมดลูกแล้วก็ออกจากช่องคลอดตั้งแต่เดิมเนี่ยมันไม่เป็นเหตุผลว่ามันน่าจะเป็นเชื้อของการสร้างมนุษย์อิอสนิตักุมสมบูรณ์แบบนี้นะมันแทบไม่มีเลยอ่ะแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะนะครับก็ขออวยเตี๋ยด้วยพิริย์การนี้นะครับ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.